ป่อเารธรทมท่านผู้รักชาติที่อยู่ในบรรยากาศสวนลุมแล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการเรียนอิสระตามสำนึกในขณะนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์จะได้มาทำความเข้าใจในบรรยากาศที่จะนำความรู้และความจริงมาให้ พวกเราได้ศึกษากันจากการที่ท่านได้มาบรรยายในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็มีปฏิกิริยาทาง s อ s เมเที่ผู้ชมได้ส่งข้อความมีทั้งติมีทั้งชมมีทั้งว่ามีทั้งตำหนิมากมายนะรู้สึกว่าแทบจะนาทีละหนึ่งข้อความอ่นะ มีขึ้นมาตลอดเวลาในการถึกษาองเราพ่อครูก็จะใช้การถึกษาแบบ two way นะคือพูดไปแล้วท่านก็จะเอาปฏิกิริยาที่เขาสะท้อนกลับมาเนี่ยมาให้พวกเราได้ถึกษาต่อ ด, ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปกติของชาวโศกที่พ่อครูก็จะเอาคำส่วนใหญ่คำชมก็จะเยอะแต่ก็ไม่ได้อ่านแต่คำดา่าคำว่าคาตาหนิตีเตียน พ่อครูก็จะคิดว่าเป็นเมตตาที่ท่านจะพยายามทําความเข้าใจกับเขาทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามนะแม้เขาจะเขียนกลับมาบอกว่าไอ้ไฟเอ้ยนะง้อ oh, ช้มัดอะไรอย่างนี้แต่พ่อครูก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับเขาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ธรรมาก็อาจจะกล่าวกันไว้ก่อนก็นได้เพื่อที่ว่าอยากจะให้เราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือผู้ที่กําลังแสวงหาสัจจะเนี่ย พระเจ้าจะให้เราตั้งหลักไว้ว่ามีใครมาว่าเราก็ดีว่าคนที่เราเคารพศรัทธาก็ดีเราก็จะไม่พึงมีอาการชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่พระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยพยายามที่จะกาหนดหมายว่าที่เขาพูดเนี่ยเขามุ่งหมายอย่างไรประเด็นสำคัญอยู่อะไรแล้วพยายามทำความเข้าใจอย่างพวกครูเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าจะด่าท่านอย่างไงจะว่าท่านอย่างไง ท่านก็ไม่มีตัวตนให้ด่าแล้วนะงั้นเขาว่ามามันไม่ถูกใช่ไหมแต่ยังไม่ต้นว่าเขาว่าเราไอ้หมาเงี่ยปุ๊บเรากรดดันงับน่องเขาเลยนี่ก็เราแสดงว่าเราก็มีตัวตนจริงๆอย่างที่เขาว่าแต่แต่เขาว่ามาเอ้เราไม่ใช่นะเราไม่ใช่งั้นอยู่ดีเขารู้สึกว่าเราเป็นสุนัขเราเป็นหมาก็ดีเราไม่ใช่เรานี่ก็คือความหมายนะญาที่พบอกถืว่าเมื่อมันท่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่ามันก็ไม่มีตัวตน ที่จะเขาจะว่าอย่างไรว่าอย่างไรก็ไม่ถูกดูเหมือนว่าจะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นคําว่าก็ดีข้อสงสัยก็ดีข้อที่เรามีแฟนประจํานีเพราะครูเทศทุกวันทุกวันเนี่ยจะมีแฟนประจำํำติดตามนะจ้องจับไว้ว่าพลาดเมื่อไหร่ดักหน้าดักหลังนะเมบางทีเลยไม่ได้คิดเลยคิดไปล่วงหน้าแล้วนะคิดไปล่วงหน้าแล้วจะทําอย่างนี้ใช่ไหมจัดอะไรเยเรมีแฟนประจําที่ติดตามเราอย่างอุตสาหะวิริยะอย่างมากเช่นเดียวกันนะ วันนี้คิดว่าพวกเราคงจะได้ศึกษาพร้อมๆกันด้วยที่ระวังก็คือว่าอย่าไปนึกแช่งชักหักกระดูใครนะเอาฟังแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะทำให้เราเกิดปัญญาพยายามที่จะทำให้พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการฟังธรรมได้ดีเนี่ยสู่สร้างรัปยะญยงการฟังธรรมได้ดีย่อมได้ปัญญาอันคิดว่าวันนี้พวกเราคงจะได้ประโยชน์และได้เกิดปัญญาจากที่พระครูจะได้ มาสาธยายให้พวกเราได้ฟังก็คงต้องรัศนาพระครูในโอกาสนี้ครับจเจริญธรรมทุกคนวันนี้วันวันเสาร์าที่ 17, สิบเจ็ดสิงหาคมสองันห้าร้อยห้าสิบหกขึ้นสิบเอ็ดข้าเดือนเก้าปีมะเสงวันนี้อาตมาก็ได ดูเขาเอาเขาเป็นไอเอเอมเอสเขาเลือกมาเลือกคัดมาไอที่มันซ้ำกันบ้างมันลุ่มลำมันมันไม่เคยเข้าทีอะไรเขาก็คัดออกนะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยไปตอบโต้แปดเจ็ดศูนย์ห้าเขาเยอะก็เลยคัดออกไปซะเยอะ <c ười> คือบางคนก็มันของขึ้น แตะไม่ค่อยได้อัตตามันโตเพราะงั้นก็มาเรียนรู้หน่อยไม่ใช่อะไรหรอกคุณแสดงออกตอบโต้เข้าไปเนะี่ยเขาก็ดูเนียงสอภาษากริยาสอนสกุลมันเอาอัตมาไปขายนะน่ะ อ, อัตมาไปขายน่ะมันไม่ดีน่ะก็ระวัดระวังหน่อยนึงน่ะอัตมาก็เลยจะเอาเอ s เ็มเสของผู้ที่ ควรจะเอามาเนี่ยมาพูดกันเป็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นของเชิงคิดเนี่ยมันมีเชิงคิดของ vocês, คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้มันน่าศึกษานะเป็นเชิงคิดของคนนี้เป็นอย่างนี <ì cil week> ้เชิงคิดของคนนี้เป็นอย่างนี้เงี้ยอัตมาก็จะได้แจกแจงถึงสัจจะนะสัจจะความจริงหรือสัจธรรมของแต่ละเชิงคิดพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างนะให้ความรู้ในความหมายเหล่าน <con abajo> <device: S 2> ั้นไปนะ อะไรที่ควรเจาะลึกก็จะเจาะลงเป็นธรรมะลึกๆไปเลยอะไรที่คิดว่าเอา้าบอกพอสมควรแล้วก็ผ่านไปก็เอาตามสมควรอา่าเริ่มต้นเจ้าเจ้าแรก4727 4727นี่เป็นผู้ที่อ่มีความเห็นขัดแย้งกับเรามาแต่ต้นแต่นันแต่ไรเดี๋ยวนี้ก็ยังคงที่นะก็ยังขัดแย้งคงที่ได้ระดับเนะี อย่างแย้งได้ตลอดกาลนา น, นากไ็ไม่เป็นไรก็ก็ดีก็เขาว่ากันไปคือเราบางังคับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องนาน า, นาสังวาสหมายความว่าเราอยู่กันต่างกันสังวาส่ปไปอยู่ร่วมกันได้สังวาสอยู่ร่วมกันได้แต่มันมีความเห็นต่างกันนานาเมื่อความเห็นต่างกันก็ต่างอยู่ร่วมกันต่างคนต่างเห็นก็ต่างคนต่างทํา ไม่จําเป็นจะต้องทะเลาะกันไม่จําเป็นจะต้องตีรันฟันแทงกันไม่ต้องข่าแกงอะไรก็อยู่ด้วยกันความเห็นต่างกันก็ต่างไปก็ต่างคนต่างทำํำแล้วมันจะออกเป็นวิบากมันจะเป็นผลของการกระทํำของแต่ละคนเองอันนี้เป็นเรื่องสูงสุดของศาสนาพุทธนะสุกตะทุกกตานังกัมมานังพลังวิปากโกนะอันนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไปใน ทิฏฐิสิบผู้ใดเห็นต่างอันนี้ไปก็มิฉาผู้ใดเห็นถูกต้องก็เป็น ส, มสนัมมาสุกตาทุกตานังกรรมานังพลังลิปากโกนี่เป็นเป็นทิฏฐิข้อที่สี่ข้อที่สี่หมายความว่าใครจะทำอย่างไรกรร ม, มานังกรรมนั่นเองกรรมกิริยานี่แหละการกระทำเนี่ยใครจะทำอย่างไรสุขตาทำดี ทำดีแล้วก็เป็นวิบากพลังวิปากโกเป็นผลเป็นวิบากทุกขตานังทำชั่วทำผิดมันก็เป็นผลเป็นวิบากของจริงเป็นสัจจะเลยใครจะทำยังไงก็แล้วแต่เป็นชั่วเป็นดีเป็นสุขตาหรือเป็นทุกขตาทุกตังุกสุกตังก็เป็นผลเป็นวิบากเป็นของจริงเป็นของบุคคลผู้กระท เป็นของตนของตนเลยเรียกรวมเรียกเป็นภาษาวิชาการว่ากรร ม, มสกัดแปลว่ากรรมเป็นของของตนไม่มีใครเลี่ยงพน้นทำแล้วจะไม่เอาไม่ได้ทำในที่ลับในที่แจ้งทำในในที่ใครไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเลยเช่นคิดอยู่ในใจของเราเองเราคิดอยู่คนเดียวของเราเองคุณก็ทำแล้วเป็นมโนกรรมเป็นของคุณ คุณจะคิดชั่วคิดดีคิดหยาบคิดดีคิดไม่ไม่อะไเสียหายอะไรก็ตามใจจะคิดแรงคิดเบาจะคิดแรงคิดเบาก็เป็นไปตามจริงคิดแรงยึดจริงจริงจริงแลคิดแค่เล็กๆน้อยๆคิดผ่านๆมันก็เป็นสัจจคของมันจริงตามที่ตัวเองมีกรรมกิริยา ความคิดก็ดีพูดออกมาก็ดีต้องใัยว่าอย่างคิดให้คนชั่วตายวันตายคืนนี้จะบาปไหมครับ อ, อ๋อบาปบาปบาปคิดแช่งเขาคิดเป็นทางให้คนอื่นเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เขา ม, มันไม่ไม่ดีมั น, ม, นมันทุกข์หรือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรบาปนะมันเป็นกิเลส ท, ที่เราลักษณะของเขาเจตนาอย่างนั้นเรียกว่ามโนสัญเจตนา เจตนาแบบนั้นเป็นความมุ่งหมายที่เราจะต้องอ่านอาการกิริยาของการคิดกลี้ยงอาการของคนคิดที่คิดดูว่าอยากให้เขาตายวันตายพรุ่งอยากให้เขาแช่งให้เขาตายงงี้เนี่ยมันเป็นอาการยังไงอะ่ะเป็นอาการไงเป็นอาการดีหรือชั่วหรือว่าดีฮะมันก็ชั่วมันก็ไม่ดีอะ่ะ สานการที่ไม่ดีไม่ควรแม้คุณจะไม่ชอบใจหรือเขาจะเป็นคนเลวเขาจะเป็นคนผิดยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเขาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ต้องไปทำหรอกใครใครไม่ต้องไปทำเขาทำยังไงกรรมของเข า, าจะจัดการเองนะกรรมจะจัดการเองรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมบัญช้กดแห่งกูไม่ได้อ่นานั้นน่นกิเลสอีกชนิดหนึ่ง <c oughs> กิเลสใจร้อน กลอยากให้เขาตายวันตายพรุ่งอยากจะให้เขารับทุกข์รับภัยเร็วๆไม่ไม่ดีไม่ดีนะอย่าไปคิดเพราะใครจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามบิบากรรมมันจะเป็นไปจริงเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำจิตใจของเราให้มันเป็นจิตใจเสื่อมหรือจิตใจเสียจิตใจไม่ดีไม่งามอย่าเ้าจาไว้เลยรู้จิตรู้ใจเราคิดอย่างไรเรามีอาการในจิตอารมณ์อย่างไรถ้ามันไม่ดีจุดเลย อคิดดีๆคิดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลสร้างสารรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลปราถนาดีต่อใครแม้แต่เป็นศัตรูแม้แต่เป็นคนผิดคนเลวก็ขอให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางดีอย่าไปร้ายเลยแม้แต่ที่สุดเขาไม่ต้องรับผลร้ายเลยแต่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาไม่ได้รับผลร้ายเลยนะแต่เขาได้กลับเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆมาเป็นคนดีแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นสํานึกแล้วแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งกายวาจาใจ ทำดีไปเลยเน่ยจบจบอนุโมทนาเลยไม่ต้องไปสังเกตยรั ง, งองไม่ต้องไปคิดดอกเบีย้ยไม่ต้องไปคิดหาอะไรจะได้มาหรือฟื้นอะไรอะไรให้มันเป็นอะไรเป็นผลซับซ้อนอีกนเพราะงั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ที่อาตมาบอกว่ากรรมเป็นเรื่องจริงทําแล้วเป็นของใครข้อมันจะจัดการเองท่านจัดเอาไว้ถึงขนาดว่ากรรมมัสโกมหิ กรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสนโนนี่เป็นคําสอนของพุทธเจ้าลงท้ายด้วยกรรมสัตเตวิพัฒน์ิตด้วยซ้ำอันั้นตัดไว้กรมมโกมหิแปลว่ากรรมเป็นของของตนกรรมนี่ใครทําเป็นของตนดีหรือชั่วเป็นของตนทิ้งไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ไม่หกไม่ตกไม่ลนไม่ระไม่ระเหิด ไม่ระเหยไม่ระเหิดไม่รั่วไม่ซึมเป็นะปข้อตนหมดกรรมทายาโทรเราต้องเป็นผู้รับมรดกกรรมของเรามรดกกรรมของเราทําไว้เท่าไหร่รับหมดคุณไม่รับไม่ได้กรรมทายาตเป็นทายาตของกรรมเป็นผู้ต้องรับมรดกกรรมของเราแบ่งใครก็ไม่ได้มรดกของของของของกรรมเนี่ย คุณมีมรดกกรรมคุณนี่คุณมีดีเท่านี้คุณแบ่งดีให้นี้คนนี้สิบส่วนแบ่งคนนี้ห้าส่วนไม่ได้แบ่งดีก็แบ่งไม่ได้นะถ้าแบ่งดีได้ก็แบ่งชั่วได้หมดสิแบ่งบาปได้แบ่งบุญได้ก็แบ่งบาปได้มันแบ่งไม่ได้บาปบุญแบ่งไม่ได้ของใครของมันนะเพราะงั้นเมื่อใครทําก็จะเป็นของคนนั้นต้องรับมรดกกรรมของตนเรื่องว่ากรรมทายากกรรมทายาทกรรมโยนิ กรรมนี่แหละพาเราเกิดพาเราเป็นพาเราไปเราจะไปดีไปชั่วเราจะไปสู่ที่สูขที่ทุกข์อะไรกรรมพาเราเป็นทั้งสิ้นเลยกรรมของเราหรอกไม่ใช่อำนาจศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อำนาจอะไรมามาพาเราเป็นไปเลยกรรมแท้ๆการกระทำของเราเองพาเราเป็นไปอันนี้ศึกษาดีเลยอาตมานั้กลัวจริงๆกรรมกลัวกรรมบาป ไม่กลัวรกรรมดีเพราพาเราไปดีกรรมบาปนี่ยพระเจ้าตรัสสอนว่าแม้น้อยนิดอย่าทําเสียเลยกรรมบาปกรรมชั่วเนะ่ะใครไม่เชื่อก็แล้วไปคนเชื่อแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติเถอะนะแต่รู้สึกว่าสังคมเนี่ยเขามองเห็นว่าคนที่ทำกรรมชั่วมันมีแต่จเจริญรุ่งเรืองร่ารวยอะไรเงี้ยครับคนนั้นคนะิดสั้นๆตื้นๆก็ไม่รู้ความจริงลึกซึ้งอะไรแล้วก็ไม่รู้ความจริงที่ไกลลึกก็ไม่ได้ ใครก็ไม่ได้เป็นความคิดตื้ น, นๆเผลนๆสั้นๆจุดจเห็นแต่ปัจจุบันเอาแต่อริเอร่อยเอาแต่แตได้ประโยชน์นอะไรบ่มเดอรอจิตใจตัวเองแต่ปัจจุบันคนนั้นไม่ไม่มีภูมิธรรมอะไรนะและเป็นภัยเป็นพิษต่อสังคมมนุษยชาติด้วยคนคิดแบบนี้นะกรร ม, มโยนิกรรมมันพาเป็นตัวจัดแจงเลยกรร ม, มนิพาไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะเป็น คนเจริญจะเป็นคนมีความสุขจะเป็นคนมีความดีงามไป็นความประเสริฐหรือเป็นคนตกต่ําเป็นคนเสื่อมเป็นคนทนทุกข์ทรมานหน้าเปลียดหน้าชังอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารมาไม่อยากเล่าเพราะว่ามันยาวอก็ขอพูดผ่านเล็กๆน้อยๆเช่นยกตัวอย่างคนที่ไปเกิดที่นิวกินีก็ดีไปเกิดที่เอธิโอเปียก็ดี พวกที่ไปเกิดเหล่านั้นจากคนไทยนี่แหละไปเกิดเป็นคนเอธิโอเปียเป็นคนนิวกินีเป็นคนที่เดือดร้อนไม่มีกินไม่มีอยู่ทรมานเกิดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาแล้วเ็าอายุไม่ยืนมีแต่กระดูกกระหนังหุ้มทรมานนักที่เราเห็นนั่นแหละ อย่านึกว่าเป็นคนจากไหนนะจากคนไทยไปเกิดเป็นชาวเอธิโอเปียที่เป็นพิบ า, ากิอย่างนั้นนีนไม่น้อยนะนี่ไม่ใช่เรื่องอาตมาพูดโมเมรหรือเดาแต่เป็นเรื่องจริงที่พวกคุณคิดไม่ออกหรอกคนที่จะไปรับบาปแล้วก็จะไเปเกิดจะเป็นคนเอธิโอเปียเลยไปเกิดเป็นหมาขี้เรื่อนไปเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหนอกจากหมาขี้เรื่อนแล้วยังเป็นหมาที่ไปไหน หมาตัวนั้นก็ไล่หมาตัวนี้ก็เห่าหมาตัวนั้นก็ไล่งับไล่กัดทรมานทรรมำต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันยิ่งกับคนเอธิโอเปียอีกอย่างนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสัจรูนะเพราะงั้นในเรื่องอ่าอจินไตเรื่องกรรมวิบากที่มันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยอาตมาถึงบอกไม่อยากพูดถึงไม่อยากเล่าไม่อยากจะอธิบายเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้งที่เป็นจริงที่ ขอภัยที่จะพูดถึงตัวเองนิดนึ่งอาตมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็รู้รู้ผ่านมาแล้วก็ระลึกได้รู้จําได้มีอะไรต่างๆนานานี่มากมายแต่ตอาตมาไม่นิยมที่จะเอามาพูดโชว์พูดอวดพูดมาอ้างมาอิงหรือเอามาขู่คนอยากให้เขาเกิดปัญญาที่เข้าใจ เ, เองจริงไม่ใช่ว่ากลัวอย่างถูกขู่แต่เข้าใจด้วยปัญญา มันคือปัญญาไม่ใช่เปลี่ยนแปลงได้เพราะถูกบังคับทุกขคมคูอะไรทูงี้ซึ่งมันไร้คลาวมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะแต่เปลี่ยนแปลงได้นั่นคือความสำเร็จนะวันกรรมโยนีกรรนยน้กรรมพันเนี่ยคนเอาคำว่ากรรมพันไปแปลจีเนติกซึ่งยีน กเกิดด้วยกรรมมันการเกิดด้วยทางวัตถุเกิดด้วยทางสสารเกิดด้วยทางวัตถุธรรมมันไม่ใช่นามันยีนติกเนี่ยมันเกิดจากดินน้ำไฟลมมันเกิดจากธาตุมหาภูตรูปมาต่อติดต่อกันอยู่ซึ่งมันเป็น เรื่องของวัตถุธรรมแ ท, ท้ๆเลยแม้มันจะเล็กจะละเอียดขนาดไหนก็ตามอ่าเพราะฉะนั้นไปเอาชื่อไปเอาภาษาไม่ใช่ชื่อเอาภาษาคำว่ากรรมพันธ์ไปไปแปลคำว่าจีนเนติกเนี่ยหรือยีเนี่ยยีเนี่ยเชื่อมต่อทางสรีระชีววิทยาเนี่ยซึ่งมันเป็นมันเป็นความผิดมันเป็นความเข้าใจผิดอันนั้นมันสรีระ มันเป็นเรื่องของวัตถุธาตุมันไม่ใช่ของนามธาตุมันเป็นวัตถุธาตุเพราะงั้นมันจะต่อเชื่อมโยงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันจะบรีบกันยังไงมันจะผสมพันธุ์ยังไงแพร่เปลี่ยนแปลงยังไงมันเป็นเรื่องของวัตถุธาตุอ่าเป็นรูปธาตุมันไม่ใช่นามธาตุเลยเพรวัน้าจะแปลให้ถูกยินติกควรจะแปลว่าสรีระพันไปแปลว่ากรรมพันธุ์เลยเลอะกันไปหมดเลย คนเลยเข้าใจศาสนาเพี้ยนไม่กลัวกรรมเพราะมันสั้นทัศนีรพันมันชาติเดียวมันเห็นรับผลกรรมชาติเดียวเป็นรูปเป็นรูปธรปปรมชาติเดียวแต่ถ้ากรรมมาพันแล้วโอโ้โหมันนับชาติไม่ทวนของใครของมันด้วยกรรมมันจะของพ่อของแม่ด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีบุญก็เลยถ่ายทอดบุญมาให้ลูกมันมีถ่ายทอดไม่ได้ ถ่ายทอดเป็นพันทางบุญทางบาปไม่ได้พ่อแมอถ่ถ่ายทอดบุญบาปให้กันกันสรีรพันธ์ได้แต่รูปธรา่าพันทางกรรมด้านของใครของมันกรรมมัศกะของตนของตนตนทําชั่วตัวชั่วตนตนชั่วตนทําดีดีตนตนดีแบ่งกันไม่ได้ ทั่วก็ของตนดีก็ของตนแบ่งใครไม่ได้อันนี้ลึกซึ้งอันนี้เพราะดังอาตมาถึงบอกว่าคนที่ไปแปลจีเนติกว่ากรรมพันธ์เนี่ยแมมันอันอีกอันหนึ่งที่แปลแมมาถึงตัวนี้ขอแวะนิดหนึ่งพระธรานจะนิดหนึ่งครับอ๋อเอาข้าพเราคิดว่า ได้มาอยู่ในประเทศไทยได้มาอยู่ในแผ่นดินที่อรดมสมบูรณ์มีผู้นำมีพระประมุขที่ส่งทศพิษราชธรรมเป็นดินแดนที่มอีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้คงจะเป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นกรรมกรรมกรรมดีนะที่ทำให้เรามาอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ใน ใครใที่ไหนก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดเสียอย่างเดียวมีคนไทยเท่านั้นเองเพราะเราอยู่ในแผ่นดินที่สมบูรณ์มากเสียอย่างเดียวมีคนไทยโอ้พูดแล้วน่าสลดมากพอดีครูต่อครับเพราะงั้นในเรื่องของกรรมเนี่ยจะมาก็เขาขยายความอีกนิดนึงซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเรื่องของคำว่ากรรมนะถ้าใครไม่เข้าใจกรรมไม่เชื่อกรรม ไม่พยายามพัฒนากรรมของตนของตนผู้นั้นเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติสวยมากสวยมากใครก็ตามไม่คํานึงถึงกรรมการกระทําทางกายกรรมวิจิกรร ม, มโนกรรมของตนเนี่ยและพยายามระมัดระวังกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนของตนเองพัฒนามโนให้ได้ ให้เป็นมโนที่เป็นกุศลเป็นมโนที่เจริญแทแ้จริงๆได้ใครไม่พัฒนาสิ่งเหล่านี้แม้แต่กายกรรมก็วจีกรรมก็ตามถ้าใครไม่พยายามพัฒนานเสียชาติเกิดพระพุทธเจ้าเรียกคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้พัฒนากรรมเลยนี่ว่าใครเอ่ยลูกซิใครตอบได้ลูกศิษย์เรียกว่าอะไรโมคะบุรุษ อาตมาแปลคำว่าโมฆะบุรุษว่ายังไงโอ้โหจำกันแม่นดีจังโมฆะบุรุษแปลว่าชิงหมาเกิด <c ười> คือเราได้เกิดมาเป็นร่างของคนเนี่ยนะเกิดมาชาตินี้ได้ร่างกายมาเป็นคนเสร็จแล้วใช้ร่างกายความเป็นคนนี้ไม่ได้พัฒนากรรมของเราให้เป็นไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ชาติหนึ่งเนี่ยกรรมของเราสะสมแต่ชั่วแต่บาปโอ้มันน่าเสียดายเป็นคนที่ทำทำทำบุญได้ล้างกิเลสได้หรือทํากัลยาณธร ร, รมเป็นกรรมดีเป็นกัลยาณธรรมก็ได้พยายามภาครพยงถึงแม้มันไม่ได้ถึงประมัติได้แค่กรัลรยาณธรรมก็ตามก็ยังดีไม่ได้ทํา แต่ละวันแต monks, season, ่ละเวลาแต่ละมินาทีคิดชั่วคิดแต่จะเอาชนะคาคานเขาคิดแต่จะพยายามที่จะต้องไอ้นี่จะต้องชนะไอ้นี่จะต้องได้ไอ้นี่จะต้องปราบไอ้นี่ลงได้ไอ้นี่จะต้องจัดการไอ้นี่จะต้องฆ่าเขาไอ้นจะต้องแกงเขาไอ้นี่จะต้องโลภมาให้สมโลภโอ้ตายตายตายตายตายพูดยังเมื่อยแล้วอาจมาพูดแค่นี้ยังเมื่อยแล้วโอ้คนนั้นเนี like ่ยโมฆะบุรุษ ที่บอกแล้วแปลว่าชิงหมาเกิดให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมาได้ร่างคนนั้นซะหมาตัวนั้นที่มาได้ร่างคนเขาอาจจะดีกว่าคนคนนี้ที่มาได้ร่างและมาทำชั่วเสียดายร่างคนวะ่ะด<อ>้ร่างกายเป็นคนมีอาการ32บางคนอาการ32แนละ้วสมองเฉลียวฉลาดด้วยนะ จะฉลาดเร็วนไอ้อย่างเนี้ยอาตมาว่ามันน่าเสียดายให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดแทนดีกว่าเพราะภายหนะ้าอาตมาไม่ได้พูดหยาบนะใช่มหมบางศาสจาธรรมดีดอาตมาไม่ได้พูดหยาบอาตมาไม่ได้พูดสิ่งที่เลวร้ายแต่อาตมาพูดความจริงที่ชัดเจนนะอาตมาีนค้นหาว่าอาตมาปากจัด แต่แท้จริงอัตมาปากชัดเขา้าคือพวกนี้นี่ไม่ค่อยจะเข้าใจความจริงว่าคืออะไรคืออะไรคนปากชัดหาว่าปากจัดอโอ้โหปร้วงั้นผู้ที่ได้ร่างกายมาเป็นชีวิตมีอาการ32ครบแล้วเนี่ยให้มีสติ สัพพัญญะปัญญาระม่าระวังอาการกรรมของเรากายกรรมก็ดีวิจิกรรมก็ดีมโนก็ดีพยายามระมัดระวังเท่าที่เรามีความรู้ล่ะเป็นสามัญสำนึกก็ได้เอออันนี้มันไม่ดีนะเราอย่าทำกายกรรมเป็นอย่างนี้ไม่ดีเราทำดีขึ้นดีกว่าสังวรเถอะคุณฟังทมอัตมาแล้วคุณเอาความหมายแค่นี้ไปปฏิบัติเถอะอัตมาพอใจแล้ว ทั้งวรกายกรรมทั้งวรวจีกรรมถ้าเป็นนึกแล้วไปอ่านจิตตัวเองเป็นด้วยนะแล้วก็สั้งวรจิตใจเลยมนโนกรรมปรีจิตได้คิดดีอย่าไปคิดชั่วตั้งจิตที่ดีๆตั้งจิตไปทางดีเลยยิ่งทําได้อย่างงั้นนะถึงขั้นปรมัตถ์ถ้าทําได้แต่กายกวาจานี่แค่กัลยาณธรรมถ้าสามารถเปลี่ยนจิตได้ด้วยนั่นแหละเรียกว่าปรมัตถธรรมเข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพาน ใกล้ใกล้ได้นิพพานผููอย่างนี้จะเป็นอริยะ น, นี่เป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องฝึกฝนหัดทำมันไม่ง่ายนักเท่านั้นเองอ่านี่คือสัจธรรมที่อาตมาพยามอธิบายของพระพุทธเจ้าฟังดีๆนะเอาทีนี้มาต่อกรรมพันธุ์เมื่อกี้นี้พูดถึงกรมมพันธุ์ที่ไปแปลสรีระไปแปลยีนติกนี่ว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมันผิดผู้ที่ทําชั่ว เป็นกรรมของเขาแบ่งไปให้ลูกแบ่งไปให้พ่อแม่แบ่งไม่ได้ยิ่งแบ่งไปให้เพื่อนมิตรจหายไม่ได้ใหญ่เลยแบ่งไม่ได้กรรมแบ่งไม่ได้ใครทําเป็นของของตนเพราะงานเกิดมาชาตินี้ชาติหน้าต่อก็เกิดด้วยกรรมของตนเกิดด้วยบาปบุญของตนเกิดด้วยวิบากรรมของตนเกิดด้วยอัตภาพของตนเมื่อก ร, รมพาเกิด คุณก็มากับกรร ม, มบิณบาของคุณทั้งชุดทั้งอัตภาพของคุณนั่นแหละของคุณมาอาศัยท้องแม่เกิดมีเชื้อพ่อแล้วมันเกิดก็ได้เชื้อของสรีระไม่ได้เชื้อของกรรมไม่ได้กรรมใครกรรมมันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาจึงต่างกันอ่ต่างกันเป็น เป็นเป็นเรื่องศัจจ์ที่ลึกซึ้งมากที่พระพุทธเจ้าทั้คนพบแล้วก็เอามาประกาศความจริงหรือสัจธรรมนี้สู่มนุษย์เอาไว้นะเมื่อผู้ใดสะสมกรรมได้เป็นจำนวนมันก็จะค่อยๆสะสมตกผลึกผนึกเข้าไปผลึกเข้าไปผลึกเข้าไปาไ ป, ไ ป, ไปจนกระทั่งถึงรอบของมันก็เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์เช่นตกผลึกความชั่วเรียกว่าสัตว์อบาย ระดับนี้เรียกว่านิริยภูมิเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกนี่หนักอาการดิ้นรนเร่าร้อนอาการที่ไม่เป็นสุขเลยทุกข์ทรมานนี่เรียกว่าสัตว์นรกเช่นคนติดยาโอ้โหมันดิน้นมันไม่รู้เรื่องเงินดำลิศนามันมืดหมดเลยมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครขวางไม่ได้มันเป็นจริงๆในสติสตังเสียหมด นั่นคือสัตว์นรกแท้เลยเพราะงั้นสัตว์นรกหน้ามืดมันปล้ำคมคขืนค่ะคนที่ปล้ำคมขืนเนี่ยรู้ไหมว่าก่อนจะปล้ำนี่คือความดีหรือความชั่วรู้ไหมมันรู้ทุกคนแต่มันหน้ามืดเรียกว่าดำลิษนาไม่ใช่ดำกฤษนานะอย่าพูดผิดภาษาอันนี้มันเป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเรียกว่าดำลิษนา ดับมันดับตาตำตำริสเนอร์ไม่มีตัวดอเด็กตาตําดิษเนอร์ไปภาษาตะต็กเกตพอไทยมาเรียกไปเรียกดํากฤษตสนามันไม่ใช่ติษศาสนาฤิสเนอร์ฤิศมันมีตัวตรอรือสอฤษีนอเนสละอามันไม่มีตัวตัวกอไก่อะไรมันไม่มีอแปลว่ามันมืดเพราะฉะนั้นคนจะปล้ำข่มขืนฆ่า ไม่ฆ่าเขาตามแค่พร้ำขคมคืนเนีก็หน้ามึดแล้วมาเร็วๆนี้ผมได้เห็นภาพหนึ่งนะครับเป็นคลิปเร็วๆนี้เออว่าที่เจ้าบ่าอะไรเงี้แต่งงานกันแล้วโกรธแม่ยายเขากาลังคุยกับเจ้าสาวจะดีครับพว้ปืนออกมายิงยิงเปรี้ยงนนนแน้วก็เจ้าสาวก็คว่ำลงแล้วแม่ยายยิ่งหนียิงเปรี้ยงแม่ในในยายก็ตายแล้วก็เดินออกจากประตูแล้วก็เต้นตูดสายไปสายมา ผมก็นึกไม่ได้ว่าอวิญญาณอย่างนี้จะเรียกอะไรแต่ฟังพ่อครูพูดนี่แห ล, ละสัตว์นรกแท้ๆเลยเราเป็นวิญญาณสัตว์นรกนี่แหละคือ น, นิรยะนี่นิริยะสัตว์สัตว์แท้ๆเลยไม่จะได้ร่างกายคนแต่จิตใจและพฤติกรรมเป็นสัตว์นรกคือไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยไงชั่วหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ไม่รู้นี่คือต้องเรียนรู้ความเป็นสัตว์นี่คือสัตว์โอปปาติกะ ภาษาวิชาการจะทำมาเรียกว่าสัตว์โอปปาติกะสัตว์จิตวิญญาณนะเวิญญาณมันเป็นจริงนะจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเขาไม่สํานึกก็ไม่อะไรอย่างที่ท่านเดินดินว่าที่ยิงแม่ยายยิงอคู่ของตัวเองแล้วก็เดินยิ่งเสร็จแล้วไม่รู้สาหรุสีอะไรเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยเดินสายก้นนุกนิกุกนิกอย่างร่าเริงเบิกบานว่าตัวเองทําไม่ทําผิดอะไรโอ้ คนอย่างนี้ขออภัยนะภาษาไทยชัดๆเขาเรียกว่าชั่วชิบหายนะเนี่ยอาจามาพูดภาษาไทยพูดอาจามาไม่ได้พูดหยาบนะอาจามาอธิบายสัจธรรมฟังให้เข้าใจยังมั้อาจามารู้จักใช้ภาษาอาจามาเนี่เป็นครูเคยสอนภาษาไทยนะครูสอนภาษาไทยมาตั้งแต่เป็นครัวว่าธรรมาหะกินอยู่ก็ เ, เป็นครูก็เคยสอนภาษาไทยอาจารมาถนัดภาษาไทยนะ พวกนี้แหละเปนชั่วชั่วต้องเรียกว่าคนที่ชั่วฉิบหายเลยชั่วระดับนั้นจริงๆชั้นเดียวกันคนทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเขาเดือดร้อนคนเขาเดือดร้อนกันมากมายเลยแต่ตัวเองนี่หน้ามืดดําดิลันาไม่รู้เลยว่าคนเขาเดือดร้อนคนพวกนี้ และคนเดือดร้อนไม่ใช่คนเดียวคนคนที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยมันยิงแม่ยายแล้วก็ยิงแอแพทสาวบาที่เจ้าสาวของตัวเองเท่านั้นสองคนแต่คนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนี้นี่ยิ่งชั่วมหาอภิชิบหาย นี่จะหาว่าจะมาพูดหยาบเนะีใครหาว่าอจตมาพูดหยาบคนนั้นหาว่าเพราะอาตมาพูดความจริงขยายความจริงเป็นสัจธรรมให้ฟังฟังดีๆอาตมาเป็นคนสุภาพอาตมาไม่เคยเป็นคนพูดหยาบเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นายจารย์มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตอาตมาจะเล่าอันนี้อาตมาเล่าหลายทีแล้วแล้วรอ่กับคนที่พวกคุณรู้จักดี อาตมากับสุเทพวงกำแหงนี่เป็นเพื่อนกันมาสู่วงการพร้อมกันเลยแต่มาร้องเพลงเก่งเขาอาตมามันเลยดังอาตมาไม่ดังร้องเพลงไม่เก่งสู้ไม่ได้เขาแกเทพแกกับอาตมาสองเดือนเกิดปีเดียวกันเขาแกกับอาตมาสองเดือนเองมาพร้อมกันมาในรันไรรุ่นไรกันเลยแต่ว่าเขาเองเขามีพรสวรรค์กว่าอาตมาเยอะอาตมาพรสวรรค์มันมาทางธรรม พรสวรรค์ไปทางโน้นอาจะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเทพอาตมานี่เขาพูดอาตมาเขาเรียกเขาเองกูเรียกอาตมานี่กูมึงเรียกอาตมานี่นะแต่อาตมานี่มันพูดไม่ออกอาตมาไม่เคยเรียกเขาพูดว่ามึงอย่างนี้ก็เองหรือเรียกตัวเองก็เรียกอ้วน้าข้าเองอ้วหรือ แต่เขาพูดนี่จริงๆอัตมาไม่ได้ว่าเทพเขาหยาบนะมันเป็นธรรมชาติเยอะหลายผู้หลายคนเพื่อนของอัตมาเนี่ยเขาจะพูดอัตมากูมึงก็พูดไปเขาจะใช้กูมึงอัตมาก็ไม่ได้ถือสาก็เป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้ติดใจอะไรแต่อัตมามันพูดไม่ออกมันก็มาไม่มีตระกูลอัตมาพ่อแม่ไม่เคยพูดพาพูดกูมึงเลยก็เลยไม่พูดกูพูดไม่ออกมึงไม่พูดไม่ออกนี่อัตมาเอามายืนยันเพื่อให้เห็นว่าอัตมาไม่ได้เป็นคนหยาบนะ ไม่เป็นพูดไอ้เหี้ยไอ้เฮี้วไอ้โงอะไรไม่เคยพูดพ่อแม่อาตมาก็ไม่เคยสอนพ่อแม่อาตมานี่เคยทะเลาะกันแต่ไม่เคยลูกเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะว่าให้พ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยทะเลาะกันให้ให้ลูกเห็นเลยแต่จะมารู้ว่าพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้เป็นต้นทะเลาะกันแท้ก็ไม่เคยทะเลาะกันหยาบคายอะไรอพ่อแม่อาตมาเคยทะเลาะกันไม่ได้หยาบคายขออภัยจะเล่าก็ได้ พ่อแม่ตามานี่ยยากันถึงสามครั้งพ่อแม่ตามายากันถึงสามครั้งยากันทีก็แบ่งทรัพย์กันครึ่งเอาสมัยโบราณเขาอย่างนั้นจริงๆยากระทีก็แบ่งทรัพย์ไปครึ่งตาเสร็จแล้วไม่กี่ปีกลับมาไปคืนดีกับแม่ลูกอยู่กับแม่หมดลูกไม่เคยไปกับพ่อเลย พ่อก็ไปกินเหล้ากินยาสชมเรญเทเมากินเหล้ามาก็ากแจกแหลกเขาเรียกพ่อกันทั้งบางเพราะว่าแจกนี่ใจดีพอเมาโอ้โหคนมันรุมเลยแจกหมดเงินหม ด, หมดไม่ช้ามันก็หมดแบ่งทรัพย์ไปปั๊บไ ป, ป, บไปหมดเงินก็กลับมาดีกันอีกเอาแยกกันอีกท้งที่สองพอแยกกันอีกก็แบ่งคนละครึ่งอีกไปอีกก็แบบเก่า เมาไปแล้วกับไปอะไรเท่าไรของเขาเราเราก็ไม่ได้ติดตามไปด้วยเพราะลูกๆไม่ได้ไปกับพ่อเลยมีแต่อยู่กับุกแม่หมดเสียแล้วหมดตัวกลับมาอีกเอาอีกแยกอีกแบ่งไปอีกครึ่งนึงอีกมันจะไปเหลียว <c oughs> <c oughs> พูดไปเดยนไปหาว่าว่ า, วาพ่อ <c oughs> เสียไปหมดแล้วละ่ะพ่อพ่ อ, พอแม่เสียไปหมดก็ไม่ได้ว่าพูดความจริงเข้าไป สุดท้ายแม่เป็นทีบีพ่อคนนี้แหละก็ดูแลรักษากันตายชาอกก็พ่อเป็นคนดูแลจนกระทั่งตายชา อ, อกเลยตายคามือแม่ก็สิ้นลงมือมือเป็นทีบีหนกักนะแต่พ่อเก่งนะไม่ติดไม่ติดทีบีเลยแข็งแรงพ่อแม่ตายแล้วพ่อไม่ติดทีบีเลยน ะ, อ, ะอันนี้นี่คือชีวิตเขาปวดต่อมา ในที่นี้แต่มาไม่เคยถูกเรื่องของหยาบคายอะไรเอาเรียกว่าจะพูดดวงจิตตัวเองมากเกินไปก็ขอลาประกอบนิดหน่อยกรรมมันเป็นของของตนและกรรมนี่มันพาเราเป็นเผ่าเป็นพันเพราะฉะนั้นคนจะเป็นพันหยาบเป็นพันผู้ดีเป็นพันสุขุมเป็นพันอะไรต่างๆนะเป็นพันสุกมารชาติหรือเป็นพันมิลกชนมันก็เป็นธรรมชาติเป็นของจริงของแต่ละบุคคลที่สั่งสมพันธ์ จึงเรียกว่ากรรมพันธุ์เกิดจากกรรมของตนเองทําทั้งสิ้นคุณจะฉลาดแกมโกงคุณก็สะสมคุณนะคุณจะฉลาดแบบมีธรรมะฉลาดแบบผู้เจริญคุณก็สั่งสมงคุณเองฉลาดแกมโกงภาษาบาลีเรียกว่าเฉกาะฉลาดทางธรรมท่านเรียกว่าปัญญานี่ภาษาบาลีแบ่งไว้ชัดเลยแต่เฉกามันไม่ติดตลาด เพราะเชกามันหมายถึงความฉลาดแกมโกงฉลาดมีกิเลสฉลาดหยาบฉลาดเร็วคนก็ไม่ชอบมาชมก็ว่าโอ้โหคุณเชกาจังเลยอ่เชกามันไม่คอรจะถนัดภาษาไทยเชโกจังเลยอ่ะเชกาเชโกก็ภาษาบาลีปัญญาปัญโยก็ภาษาบาลีปัญโยหรือปัญญาก็ฉลาดที่มีธรรมะถ้าเชกาเชโกก็ฉลาดที่มีกิเลสฉลาดที่มีความเร็ว มาเรียกมาชมใครล่ะโอ้โหแม่คุณเชกโกจังเลยชมมันฉลาดนะเดี๋ยว ก, ก็โดนกำปั้นมัดยัดปากกันเท่านั้นเองมันก็ไม่ติดตลาดคำว่าเชกโกคนก็เลยไม่ใช้ตกลงตลาดเลยใช้คำว่าปัญญาแทนว่าฉลาดมันจะเชกโกยังไงมันจะเลวยังไงมันฉลาดแ ก, กงโกงยังเรียกปัญญามันตะพื้นเลยคำว่าปัญญาเลยเสียหมดเลย เลยไม่รู้ว่าปัญญามันหมายถึงอะไรรู้แต่ว่าฉลาดแต่ฉลาดแกมโกงนะ้อไปปัญญาไม่ไฉลาดแกมโกงเชโกมันฉลาดแกมโกงอันนี่ก็แวะให้ฟังสรุปแล้วพันของคนเนี่ยทางจิตวิญญาณมีมีพันุเป็นเผ่าเป็นพันุพนน์พันสัตว์นรกพันสัตว์เปรตพันสัตว์เดรัจฉานพันสัตว์อสุรกาย พันสัตวิวิอวิติอวิปายะวิตินอาไม่เคยคล่องอวินิบาตนะปายะวิวินิบาตมันก็ไม่ค่อยชัดนะอาละผ่านนะอัจมาก็ไม่เก่งบาลีเท่าไหร่นะเป็นความจริงมันเป็นสัตว์จริงๆทางจิตวิญญาณเป็นแล้วข้ามชาติไปก็ยังเป็น นี่แหละมันสําคัญตรงเนี้ยข้ามชาติไปก็เป็นพ่อแม่คุณอาจจะเป็นเทวดาให้คุณกําเนิดมาคุณเป็นสัตว์นรกมาเกิดเคยเห็นไหมพ่อแม่ดีดีแต่ลูกมันเลวร้ายมากเลยเคยเห็นไหมเลวอย่างใช้ไม่ได้นะคือสัตว์นรกมันมาเกิดก็พ่อแม่คนนั้นเป็นวิบากของพ่อแม่คนนั้นเองว่าลูกได้มาวิบากไม่ค่อยดีตัวเองดีนะแต่วิบากตัวเองได้ลูกมาชั่วเป็นสัตว์นรกมาเกิดสัตว์ เดชานมาเกิดสัตว์เปรตมาเกิดมันเป็นจริงไอเทวดามาเกิดก็มีพ่อแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลูกมาเกิดโอ้โหเป็นอภิเป็นอะไรอภิชาติบุตรอะไรพวกนี้ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะสัตววินิปายทุกติวินิบาศนะปายทุกติวินิบาศอปายทุกติวินิบาศสัตว์ที่มันชั่วจนกระทั่งไม่มีที่ตกต่ำไปแล้ว อาวินิปปอาวินิปาตะนี่แปลว่าไม่มีที่ตกต่ําแล้วมันต่ำจะไม่รู้จะตกที่ไหนแล้วมันต่ําสุดนะมันไม่มีที่ตต ท, นะที่ตกต่ําไปอีกแล้วเนะี่ยท่านก็เลยเรียกชื่อเรยภาษาไว้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงของสัตว์ทางอภิปาติกรรเพราะฉะนั้นคุณจะมีทางกายกรรมวจีกรรมนี่มันก็สสั่งสมลงไปที่จิตทั้งนั้นเลยทำที่กายนี่ก็เป็นผลทางจิตทําทิ้งวจีก็เป็นผลทางจิต เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่พูดผิดพูดบาพูดชั่วอาตมาบอกว่าเนี่ยชั่วฉิบหายอาตมาก็ไม่ได้พูดบาพูดชั่วอาตมาพูดดีนะเป็นสัจธรรมอาตมาอธิบายสัจธรรมเพราะใจอาตมาไม่ได้มีใจไปไปไปมีความนึกคิดหรือเป็นอารมณ์แบบชั่วฉิบหายนั้นไม่มีไปว่าคนนั้นเป็นด่าคนนี้ชั่วฉิบหายไม่มีในใจอาตมาแต่เป็นภาษาสื่อออกไปให้รู้สัจธรรมอธิบายสัจธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นมัน น, ไไไนึไม่ได้บาปอะไรนะไม่ได้บาปอะไรใช้ภาษาใช้ภาษาศักดิ์แต่ว่าใช้ภาษา น, นี่ไม่ได้แก้ตัวแตมาที่บายจะทาให้ฟังนัไนเปฝึกต้องอ่านใ จ, จให้เป็นใจเราเนะี่ยมันมีความไปด้วยกับคำนั้นเช่นพูดง่ายๆพอเห็นคนนี้บอกโง่ชิบหายเลยถ้าคุณก็ไปใจไปดูถูกเขานี่คุณมีใจอกุศลไปด้วยนะคุณได้บาปไปด้วยนะ โอ้โหง่ชิบหายเลยใจคุณก็ไปดูถูกเขาแล้วลบหลู่เขาแล้วคุณคุณได้นะได้นะได้อกุศล น, นะอกุศลไปลบหลู่เขาไปข่มเขาอะจริงก็ อ, งอาจจะชั่วจริงเขา อ, อาจจะโง่จริงแต่คุณก็ได้ได้อารมณ์ที่เลวได้กรรมกิริยาของจิตเป็นมโนกรรมที่กิริยาของจิตที่เลวนี่คุณใส่สังสมใส่จิตยาทํามยาทํา จะเชื่ออัตมาม้างไหมเนี่ยเอ่ดีไหมอ่าแล้วอย่าทําทั้งตอนอ่านจิตตัวเองให้ดีมีสติสัมปชัญญะอ่านใจตนเองให้ดีแล้วก็พยายามฝึกเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกรู้ใจตนเองแล้วกํากับใจของตนเองเฮ้ยอย่าคิดชั่วอย่าพูดชั่วอย่าทําชั่วนี่อะไรคือปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละนี่แหละไม่แล้วคุณทําได้ดี จิตของคุณไม่ทำช่วยอันนี้อีกเลยจิตนะจิตไม่ทาจิตไม่เคยคิดอย่างนี้เคยคิดไม่ดีเพราะคุณฝึกไปฝึกไปฝึกไปจิตของคุณมันไม่ทำเลยมันทำไม่เป็นละมันชินละมันเป็นนิสัยเป็นวิสัยละจิตของคุณไม่ทำช่วยนี้อีกเลยนั่นแหละคือจิตเป็นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่จะต้องไปหลับตาแล้วเขาถึงจะได้สมาธิไม่ใช่ไม่ใช่ สมาธิผู้เจ้าอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกเต็มๆคําว่าสัมมาสมาธิสังวรทั้งขณะคิดในขณะพูดในขณะการกระทํากรรมต่างๆในขณะที่ประกอบงานอาชีพสังวรรู้จิตตัวเองตลอดเวลาตามหลักมรรคองแปดสัมรณ์ความคิดเรียกว่าสังกัปปะ สัมรวมวาจาเรียกว่าวาจาเป็นสมาวาจาสัมรวมการกระทําทั้งหมดเรียกว่าสมากรรมมันตะคือทั้งใจกายวาจาใจเรียกว่าการกระทําทุกอย่างเรียกว่ากรรมทุกกรรมเรียกวกรรมมันตะสัมรวมสัมรวมทําอาชีพสมมาอาชีวะทําอาชีพแล้วก็สัมรวมดูงานการที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นก็เป็นสมาอาชีพของเราอย่างนี้เป็นต้น อยู่ในหลักมากองแปดไม่ได้นอกกับมรรคองแปดเลยปฏิบัติอย่างนี้แหละจิตจะเป็นสัมมาสมาธิสั่งสมไปสัมาสมาธิโดยปฏิบัติมรรคเจ็ดองได้แต่สมาธิสัมมาสังกปะสมาวาจาสมมากรรมตาสมากมอาชีวะสมาวายามะและสมาสติองค์เนี่ยเรียกว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าสร้างสมาธิอย่างลืมตา ในทุกอิริยบาบถพระเ จ, จ้าตรัสไว้ในพระเตจิดกเล่ม14ข้อ252ถึง281ใครมีพระเตจิโดกไปเปิดดูเลยไม่ผิดขอยืนยันฉบับหลวงนะฉบับฉบับอื่นไม่จงก็ได้แต่พระเตจิดกและฉบับหลวงฉบับสยามรัฐเนี่ยเป๊ะเลยทั้งภาษาไทยภาษาบาลีขอ้อ252ถึง281นะ แล้วทิโมธีเจ้าตัดไว้อันนี้ชัดเจนนะเขาต้นๆเลย252 253 254เนี่ยถ่านตัดเอาไว้ชัดว่าการปฏิบัติสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะท่านเรียกอย่างนั้นเลยอริโยสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะนั้นปฏิบัติด้วยมรรคเจ็ดองค์เป็นเหตุปฏิบัตมิมรรคเจ็องค์เป็นวิธีปฏิบัติไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิต น, นี่ปฏิบัติไม่ใช่ อันนั้นสมาธิทั่วไปเป็นสมาธิที่ไม่ใช่ของพุทธนะถึงทุกวันนี้เนี่ยจะมาพูดอันนี้พูดแล้วพูดอีกดีที่ว่ามีพระเตยพิโดกรับรองช่วยอัตมาถ้าไม่มีพระเตยพิโกองัตมาหัวแบกตานานแล้วมายืนยันว่าสมาธิหนึ่งของพระพุทธเจ้านี่ดีไปมีพระไตยพิโดกรับรองอัตมาไว้เลยรอดตัวเพราะทุกวันนี้ปฏิบัติสมาธิก็ไม่ตรงของพระพุทธเจ้าปฏิบัติสมาธิก็เพี้ยนไปนะมันก็เลยไม่ได้ผลตามควร อันนี้เกิด้องสั่งสมสมาธิแบบนี้สั่งสมทําความเป็นสัมมาหรือเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างนี้เป็นประมาทัยเลยนะไม่ใช่แค่กัลยาณธรรมให้จิตเปลี่ยนแปลงได้ <S <S คุณก็จะได้สมาธิที่ตั้งอันิจิตตั้งมั่นที่ทาวอนอ ย, อยั่งยืนตลอดกาลแล้วเราก็จะมามีชีวิตปกติเนี่ยไม่ต้องไปนั่งหลับตาเพื่จะไปมีฤทธิ์ทางจิตลืมตาอยู่นี่มันก็มีฤทธิ์ทางจิต สบายนะทำปีประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเรียบร้อยรู้จักกรรมกริยารู้จักสังคมมีงานมีการอย่างที่อาตมาพาชาวโสกทำเนี่ยปฏิบัติสมาสมาธิของอรูพเจ้าแต่เราไม่ได้ดูถูกดูแคลนการนั่งหลับตาสมาธิมีประโยชน์เป็นอุปการะมากเพราะว่าในสํารวมจิตแล้วก็ศึกษาจิตทําให้จิตมีการผนึกทําให้จิตทําให้การสงบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตาหูสมูกนิกายปิด มันเหนื่อแต่ข้างในมันก็สงบได้ง่ายกว่าใช่ไหมสงบแล้วมีประโยชน์3ามสี่อย่างหนึ่งสงบแล้วก็พักสบายเรียกว่าสุขวิหารสุขวิหารธรรมสบายเป็นสุขสงบดีนอนนั่นแหละมอนนอนหลับสนิทไม่ต้องคิดอะไรว่างสบายหลับลึกเลยเมือคนหลับลึกสองศึกษาจิต พอนั่งสมาธิหลับตาแล้วเราก pues ็จะรู้จากจิตมันอ๋อจิตมันคิดอย่างงี้มันฟุ้งไปอย่างงี้มันทีนัมิธะอย่างงี้มันอ่ามันจะคิดฟุ้งซ่านไปหากรรมคิดไปหาพยาบาทมันเป็นอาการอย่างงี้มันจะอ่านชัดอ่ามันจะทีนัมิธะมันจะอุตจารกุกุจจะหรือมันจะไม่ค่อยรู้มันก็จะรู้ชัดขึ้นเรียกว่าพลมิจิตรชามันจะเข้าใจอาการของจิตอ๋ออาการนี้การมอาการนี้พยาบาทอาการนี้ทีนัมิธาอาการอย่างงี้ ฟุ้งซ่านทีอุตจักกุกจักจะได้ศึกษาแล้วมันรายละเอียดว่ามันการอะไรบ้างกามไปเรื่องของเพศการไปเรื่องของรูปการไปเรื่องของรสของกลิ่นของเสียงหรือกามไปเรื่องของโลกกรรทำใครอยากอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สันเสริญฟุ้งไปห า, น, า, น, า, น, านั่นนนนี่มันจะรู้ละเอียดเลยว่าจิตของเราโอ้โหนี่มันอยู่ที่เนี่ย ถ้าให้มันอยู่นิ่งๆมันไม่นิ่งมันดันผ่าเป็นนิ่งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันกําลังอยากอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เขกะบานมันเลยอจิตเรานั่นเองมันดิ่นไปนั่นดิน่นมานี่ลองสงบดูซิก็ฝัดฝึกสะกดจิตไว้สะกดจิตไว้ในวิธีง่ายๆดีๆแล้วรอกจิตไว้นะเอาจ้องไว้จิตตรงนั้นจ้องไว้ที่แล้วเขาเรียกกสินกสินจ้องไว้ที่ตรงนั้นเพ่งแล้วก็จ้องกันทรงนี้นะ หรือแม้จ้องลูกแก้วใสๆหรือจ้องพระพุทธรูปสักองคหนึ่งจ้องสีจ้องลูกจ้องรถจ้องไฟจ้องน้ําจ้องดินอะไรก็แล้วแต่ทา่านก็เรียกว่ากสินสิ่งที่ให้จิตเกาะไว้เรียกว่ากสินนี่นก็เป็นวิธีธรรมดาซึกษรู้กันทั่วไปทั่วโลกล่ะสมาธิในศาสนาในในต้องก็ศึกษาแต่สัมมาสมาธินั้นมีของศาสนาพุทธศาสนาเดียวในโลกในจักรวาล เมื่อใดก็ตามเกิดมีศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะมีสมาสมาธิผมสงสัยว่าถ้าเรามาฝึกสมาธินี่จะทําให้เราเสียเวลากู้ชาติหรือเปล่าครับถ้าเรามาฝึกสมาธินี่ทําให้เสียเวลากู้ชาติหรือเปล่าคนพูดผิดพูดใหม่ได้นะฝ <c oughs> ึกสมาสมาธินี่แหละได้เวลามากู้ชาติด <c oughs> ถ้าเป็นนั่งหลับตามันจะมากู้ชาติได้ยังไงอ <c oughs> <c oughs> พ อ, อถอนคำพูดครับยอมแพ้ยอมจำน้นด้วยความจริงพิสูจน์ความจริงได้เห็นชัดเป็นนั่งหลับตาสมาธิมากู้ชาติไม่ได้หรอกนอกจากกู้ไม่ได้แล้วผู้ที่ยึดถือผิดเนื่องว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งสมาธิไปนวลอย่ามายุ่งกับการกู้ชงกู้ชาติกู้ประชาชนเขาจะเดือดร้อนเขาจะเป็นจะตายยังไงอิติวิทย์เลตอิตบี้ช่างหัวมัน ไอ้คนอย่างนี้อาจจะมาว่าคบยากหรือไม่ควรคบคนที่มาทำเป็นร้องเพลงเล็ดอิดดีเล็ดดีเนี่ยคบยากหรือไม่ควรคบนะคือมันเปมันทำไมไปตีคนทิ้งอะโดยเฉพาะประชาชนไปตีประชาชนทิ้งได้ไง พูดยกตัวจกตนเข้าข้างพวกข้างหมู่เลยที่เราออกมากู่ชาติที่เราออกมาทํางานอย่างนี้เนี่ยขอยืนยันนะว่าเราไม่ได้มาล่าลาบล่ายศล่ า, ลาสรรเสริญเอาชื่อเอาเสียงเอาเด่นเอาดังเราไม่นะขอยืนยันว่าเราสังวเราวังแล้วเราศึกษาอย่างนั้นจริงๆแต่เรามาทําเพราะเราเห็นว่าควรทําด้วยมหาประเทศ เราศึกษาเราทำตามธรรมพรุทธเจ้าสอนเลยและเราก็ดูแลสัพพุริศธรรมเจประการแล้วก็ประมาณแล้วการันตุตาอยากพอเหมาะหลือวะอ่ะาก็ต้องมาควรทําได้กาลเวลาจะเห็นได้พวกเราบางทีเนี่ยเอ๊ทำไมก่อนทีท่จะยังไม่ออกสักทีหนึงมันยังไม่ถึงเวลาการันตุตายังไม่ได้การันตุตา <c oughs> อ่านี่บอกความลับให้ฟังอาจจะมารอจังหวะอยู่ อาอาตมาใช้ส บ, บุริธรรมจริงๆอาต้องใช้ธรรมัญยุตตาอัตัญยุตอัญุตตาอัตัญยุตตาแล้วก็ประมาณแล้วมัตัญยุตตาโดยรูดูกาละกาลัญยุตตาดูเวลาดูหมู่กลุ่มคณะด้วยนะปริสัญยุตตา ต้องดูบุคลุมคณะด้วยว่าจะออกไปทำแล้วจะไปทําอยู่กับหมู่ในคณะไหนก็ต้องรู้ต้องดูจริงๆ อ, อ่าไอ้ที่ไม่ควรเราก็ไม่ไปไอ้ที่ควรเราก็เอาเนาและดูบุคะาก ร, ร, รันโอยุดตาก็ดูบุคคลแต่ละบุคคลแต่ล ะ, ละบุคคลที่ควรจะต้องสัมพันธ์สัมพันธ์มากสัมพันธ์น้อยสัมพันธ์อย่างสนิทไม่สนิททําไปตามมารายาทก็มีบอกคงๆงอ่าบางคนเราก็สัมพันธ์ด้วยอย่างมารายาทในอยู่ในสังคมเดียวกัน ทั้งคนก็สัมพันธ์อันสนิทสัมพันธ์อย่างดีเราก็ทำจริงนี่ก็บอกความจริงสู่ฟังก็ไม่ได้รังเกียจแต่เราต้องชัดตามพระพุทธเจ้าสอนว่าคบบัณฑิตอย่าคบคนพาลบางคนพาลก็สัมพันธ์กันได้แต่เราไม่คบอย่างสนิทเราไม่คบอย่างคุกคลีเราไม่ ค, บ อ, ค, ค, มคบอย่างไปเกาะเกี่ยวหรือไปร่วมกรรมร่วมอดพฤติร่วมทากันด้วยกันเราไม่เอาล้วก็ ครบอย่างที่เป็นคนในสังคมหรือเป็นมนุษย์ในการเป็นคนด้วยกันนี่ก็ว่ากันไปนะเพราะงะั้นเราจะสั่งสมความรู้และก็สั่งสมการประพฤติเรียกว่าเจรณะหรือพฤตินี่แหละพฤติกรรมการประพฤติของเราก็ประพฤติให้มันถูกต้องตามที่เรามีความรู้สั่งสมลงก็ไปกรรมพันผู้ใดสั่งสมได้เป็นพันสัตว์นรกคุณก็ได้พึ่ง กรรมที่เป็นสัตว์นรกอาตมาคิดว่าไม่เดาหรอกที่เราพูดความจริงคือคนคนหนึ่งแผ่นดินจะอยู่ก็ไม่มีอยากกลับมาแผ่นดินเกิดก็มาไม่ได้ลูกเมียก็ต้องมาอยู่ในแผ่นดินนี้ อะไรก็แล้วแต่ต่า ง, างๆนานาเนี่ระเฮเร่ร่อนแล้วก็วางแผนแล้วก็ทําอะไรอะไต่อตลอดเวลาเพื่อที่จะดิ้นรนอยากเข้ามานี่ถามว่าเขาดิ้นไหมเขาทุกไหมใครทําเขาไม่ต้องสมนําหน้าเขาเพราะเขาทำของเขาเองอ่า มันผสมน้ำผสมเนื้อของเขาเองอยู่แล้วไม่ต้องไปสมน้ําหน้าเขา <c oughs> อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆไม่ได้ไปว่าเขารออัตมาไม่ได้เดาแต่ว่าเห็นสภาพเลยว่าเขาอยู่ไม่ติดประเดี๋ยวก็ต้องติดตามข่าวคราวติดตามเรื่องราวติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเขาก็จะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นเพื่อที่จะดิ้นให้มันเป็นไปตามที่เขานึกคิดว่าเขาควรจะทํา ที่จริงนั่นถ้าเผื่อว่าเขาเองเขาหยุดเงินทองที่ได้นี่เชื่อไหมว่าคนไทยไม่ไปตามล่าเขาหรอกคุณจะโกงไปยังไงเขาไม่ตามล่าเขาเท่าไรเล่ะคนก็อยู่กินคุณไปซี้คุณจะอยู่อีกสองรอยปีห้าร้อยปีอายุยืนก็ตามใจคุณเถอะคุณใช้ไม่หมดหรอกเงินทองที่คุณได้ไปคุณมาต้องไปทําให้มันเดือดร้อนวุ่นวายทาไมในสังคมเขาอาตมาก็ว่าทําไมเขาคิดไม่ออก นี่อย่างนี้เป็นต้น น, นี่เป็นเรื่องของเขาได้พึ่งความคิดกรรมในความคิดของเขาเพราะความคิดของเขามันไม่มันไม่หยุดความคิดของเขามันดิน้นความคิดของเขามันเป็นนิระยะภูมินี่คือสัต์นิระยะภูมิเห็นชัดชัดไหมเนี่ยตมาที่บายให้ฟัง ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจจิตวิญญาณแล้วเนี่ยะมันก็ทรมานของตอนเองงาโดยตนเองไม่รู้แล้ว ก, บกว ร, บ, บ, ก บ, รกบเกลือนไปเที่ยวไปเต้นระบำไปกินไปอยู่ไปบเรลกรบเกลือนไปแต่แท้จริงๆเนื้อแท้ได้อยู่กับตรงนี้ตรงนี้นึกออกไหมเห็นความจริงตาอัตามาว่าไหมเนี่ยนี่เป็นสัจจะที่มันอย่าไปทาตามสงสัยว่าตายแล้วไปไหนครับ ไม่ต้องบอกตายแล้วไปไหนไปตรงนั้นแหละไปตรงนั้นนหะตรงนั้นน่ะเขานี่ชัดเจนนะไม่ต้องอยากเลยรู้ที่ไปของเขาเลยทุกคติตรงนั้นเนี่ยทุกคติคติแปลว่าไปไปตรงนั้นแหละทุกตรงนั้นตรงนั้นแหะต้องหลุมจนนรกตรงนั้นน่ะอาตมาแสดงธรรมเนี่ยนะหน้าตาอาตมาจรงิงจังแสดงอาการได้ว่านัจจท่าที ถึง ข, ขังเอาจริงเอาจังเขาหาว่าอาตมาเครียดอาตมาไม่ได้เครียดเลยนะอาตมาเคร่งอาตมาเอาจริงพระจางกินเรียกว่าซีเรียตซีเรียตนี่เป็นคนเอาจริงเอาจังแต่คนที่เอาจริงเอาเจริโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ตึงตึงมันตึงประสาทตึงอะไรก็เลยกลายเป็นความเครียดโดยประสาทไทยและมันก็เลยกลายเป็นโรคเครียด นหนักเข้าเป็นมะเร็งแต่อาตมาไม่ได้เป็นอาตมาบอกว่าอาตมาเครียดไม่เป็นยังไม่รู้ว่าความเครียดเป็นยังไงยิงอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้โกหกคนก็บอกเก๊ะ เ, เราก็เดาเออเขคงจะมันคงตึงนะมันคงปวดทูปวดหัวมันคงมึ น, ม น, มนม au, ๆเมาๆไงไม่รู้นะอาตมารกระเดาไม่ออกอาตมาไม่เคยเครียด แต่เคร่งคัดหรือว่าเคร่งหรือว่าจริงจังกายกรรมวจีกรรมโนกรรมซื่อออกไปอาตมาเป็นตุ๊กตาทองหน้ า, ด า, ด, าดามากของอาตมานี่มันแหมมันเหมือนเนาะหน้าทาทางของเนี่ยดรามาติกของอาตมานี่มันมันจริงจังมันเหมือนจริงเหมือนจังไงตุ๊กตาทองนี่โตกว่าตุ๊กตาทองนะอา้าวพ่อมันก็ต้องโตกว่าที่ ตุกตา ท, ท, ทองธรรมดาก็แฟบทุกตาทองก็ต้อ ง, องนี้ <c oughs> อ่ามัโตก็ทุกตาทองนะเ <c oughs> อาจริงเรื่องจริงอาตมาไมไ่พูดเล่นอาตมาแสดงจริงจังแต่อาตมาไม่ได้มีใจไปติดไปยึดอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ไปจิตใจไปติดไปยึดเพราะงั้นคนที่แสดงสภาวะแต่ไม่ได้ติดยึดกับสภาวะคนไม่เข้าใจเขาจะเดา เดาว่าหาว่าอาตมานีนเครียดอาตมาเนี่ยนั่นแหละเป็นคนที่มีอารมณ์มีจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาปั้นจิตของอาตมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่อาตมาไม่ได้ยึดว่าติดอย่างนี้อาตมาจะต้องติดจิตอย่างนี้แล้วว่าจิตนี้ค้างอยู่ในใจาอาตมาไม่มีเนี่ยอาตมาอวดอุตซนิมุสสะให้ฟังนะเพราะฉะนั้นคนที่อา่านกิริยานัจคีตวาริตะอา่าน กายกรรมอ่านวาจีกรรมสุ่มเสียงสำเนียงของอัตมาเนี่ยแล้วตีราชาหรือตีความว่าอัตมานี่แหะมันต้องแสดงอาการอย่างนี้แสดงว่าใจนี่จะต้องเครียดโกรธไม่ชอบใจอย่างนั้อย่างนี้ต่างๆนา่าๆนะอัตมาแสดงธรรมนี่ทั้งยิ้มแยม้มท่างสนุกสนานทั้งเหมือนกันดุกระดันๆจริงจังใช่ไหมเหมือนกับพูด ว่าได้ร้ายไอ้สิ่งได้ร้ายก็เอามาพูดอะไรเนี่ยมันเลยอยู่ในนี้ผสมกันมึนมดผู้ที่นั่งฟังอาตมาเนี่ยนะอาตมาไม่ใช้ลีลาภาษ า, า อ, อ, อ า, า, าอตมาไม่ได้ประหล่ออย่างนี้อาตมาไม่ได้มีอิทธิภาวะแบบนั้นนะอาตมาเลิกอิทธิภาวะแบบนั้นแล้วหน้า อาตมาไม่ไม่ทำคนไม่ได้ดูหน้าฉากพอดีทานต้องไม่ได้ตัดไปออกไปทางทางบ้านไม่เห็นแต่พวกคุณเห็นว่าอาตมาทําอะไรอาตมาไม่ทำไงเพราะว่าอาตมาไม่ได้แสดงอาการอิทธิภาวะแล้วแต่อาตมาทํามันจะค่อนไปในทางบุริษภาว ะ, ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคนดดันแข็ ง, ขง มันหยาบแรงๆอะไรเงี้ยวางกันนะแต่ที่จริงไม่ใช่เพรางคนที่จะมองตามอาการเรียกว่าเดาเอาเดาเอาตามอาการพระตาบาลีท่านบอกว่าอาการปริวิตกเกนนริว่วิตกกะนะอาการวิตกเกนหรืออาการวิตกะเดาเาตามอาการแล้วว่าเนี่ย เป็นไปตามที่เขาเดาเลยทิศหมดทิศหมดหรืออีกอันนึงถ้าว่ามองเห็นสภาวว่าทางรูปธรรมทําแสดงออกทางรูปธรรมแล้วก็เดาเอาอาการนั้นท่านเรียกว่าพับพับพรูปตาหิยะพับพรูปตายะหมายความว่าเห็นรูปลักษณะแล้วก็เดาเอาตามรูปลักษณะที่เป็นไปได้ตามนี้ว่าคงจะเป็นไปอย่างเงี้ ซึ่งมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เมื่อคนเดาตามอาการนี่ก็เพี้ยนผิดตามที่พระพุทธเจ้าอันนี้ท่านสอนไว้ในกาลามาสูตรสิบข้อนะนี่เป็นข้อที่เจ็กับข้อที่เกเดาเอาตามอาการเดาเอาตามรูปลักษณ์มันไม่ใช่มันผิดนะเพราะงั้นที่อาตมาแสดงทำอยู่พวกนี้เนี่ยอาตมาก็พยายามแถมเติมนะทีนี้มันไปเวลาไปเยอะแล้วนหนึ่งชั่วโมงผ่านไป อาตมาจะเอาจากเอสเอสนี่มาอ้อขอไปเมื่อกี้ยังไม่จบอ่ากรรมกรรมปฏิสระโนยังไม่ได้พูดเป็นเผ่าพันธุ์ของจิตคุณสั่งสมจิตอย่างสัตว์นรก ค, คุณเป็นถ้าคุณสั่งสมจิตเป็นเทวดาเทวดามีเทวดาสมมุติเทวดาส ม, มุดคือเทวดายัางหลงผิดไปชอบความสุขสุขโลกียะได้ลาบมาสุขได้ยอดมาสุขมาสุขจริงๆสุขโลกียะแต่เป็นกิเลส สุขอย่างนี้กิเลสโตทุกวันสุกเมื่อใดกิเลสโตเมื่อนั้นสุกนิดหนึ่งก็กิเลสเพิ่มนิดหนึ่งสุกสองนิดกิเลสก็สองนิดสุกห้านิดกิเลสก็ห้านิดนั่นเป็นโลกียะมันได้อาศัยสุกแต่คุณสั่งสมใส่ใส่ใสจิตเรียกว่าอุปาทานมันจึงผนึกอยู่ที่จิตล้างไม่ง่ายเลยมันล้างไม่ง่ายเพราะว่ามาเรียนรู้ดีๆแล้วจะไม่สั่งสมสุขคลิกะสุขเทศ สุขหล อ, อกพวกนี้นะมันหล อ, อกคนอยู่ทั่วหมดเลยในปุถุชนพระพุทธเจ้าท่งนตัดสู้สิ่งนี้แล้วล้างสิ่งนี้ออกก็ได้รับสุขอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสุขโลกุตระสุขโลกุตระก็เป็นเทวดาอีกชนิดหนึง่งเรียกว่าอุปัตติเทพล้างกิเลสที่เป็นโลกียาหมดเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นเทวดาจิตสะอาดจิตสะอาดคือจิตนิพพาน นี่คือเทวดานิพพานหรือเรียกอีกภาสานหนึ่งว่าพระพรหมผู้มีจิตสะอาดนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงเท ว, ด, ว ด, ดามี่สามอย่างสมมุติเทพบูปติเทพวิสุทธิเทพนี่คือเท ว, ด, ว ด, ดาสามชนิดเพราะฉะนั้นผู้ใดยังตกอยู่ในข่ายของสมมุติเทพก็เป็นแค่โลกียะสุขๆแล้วก็ทุกข์ๆทุกๆแล้วสุขวนเวียนอยู่ในนี้ในวัฏสงสารนานับชาติ พระนผู้ใดมาออกจากวงวัฏตะโลกีนี้ได้ลดลงไปมาเป็นโสดาบันก็จะออกมารอบหนึ่งส ก, กิทาก็าออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปจากโลกียะหมดเลยจากการรมมาพบรูปประพบอรูปประพบก็เป็นพระอระหันยืนยันว่าพิพสูจน์ได้ปฏิบัติได้อากาลิโกยุคนี้ก็ปฏิบัติได้พวกเรา ชาวโสมมั่นใจแล้วมาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยได้ไปตามลําดับกันจริงๆข อ, อยืนยันไม่ใช่อวดอ้างไม่ใช่อวดอุสริมุสธรรมแต่เป็นเรื่องจริงนะมันผู้ใดปฏิบัติได้อย่างใดคุณไม่รู้จากสมุติเทพคุณก็ไปเป็นเทวดากับสัตว์นรกคู่กันสมุติเทพมีสัตว์นรกคู่กันตลอดเวลาคุณอยากมาเมื่อใดเป็นสัตว์นรก อยากแรงๆคุณก็ไปสัตว์นรกจริงๆเป็นนิยภูมิเลยได้มาเสพคุณก็นึกว่าคุณได้ขึ้นสวรรค์ได้บำเรอกิเลสน่ะคุณนึกสบายใจเป็นสุขเดี๋ยวอยากใหม่คุณก็ตกนรกใหม่เป็นอย่างนี้อยู่นิรันดรเรียกว่าอุปท า, านไม่ล้างเพราะนั้นต้องมาเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นสุขคริกาเป็นอริกาเป็นเรื่องเท็จนึ่องอบแล้วก็ว อาตมาขอผ่านการปฏิบัติด้วยสมถวิปธีกับวิปัสนาวิธีเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ดับได้จริงก็หลุดพ้นออกมาเป็นโสดาสกิทาอนาคารหันไปตามลำดับเราก็จะได้พึ่งจิตที่เป็นโสดาจิตที่เป็นสกิทาจิตที่เป็นอนาคาจิตที่เป็นอน า, ารหันนั่นคือที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอันจริงเรียกว่าที่พึ่งอันกเกษม แต่คนไหนพึ่งแต่โลกียะคุณก็ได้สึกศกแบบสัตว์สมมุติเทพนี้เท่านั้นเป็นสมบัติผัดกันชมชาติแล้วชาติเล่าสมบัติผัดกันชมชาตินี้แย่งกพืเองได้ชาติหน้าข้าก็ไม่แย่งเองชาตินี้แย่งเองได้ชาติหน้าก็แย่งเองคืนไปอ่านในชาดกพระพุทธเจ้าแย่งกันไม่รู้กี่ชาติแย่งกันอยู่างนั้นน่ะจนเข็ดลาบจนกระทั่งยอมแพ้ไปเก็ดไปข้างข้าง ห้าร้อยชาติอย่างน้อยไปจริงเพราะฉะนั้นเรียนรู้อย่างนั้นไม่จบหรอกโลกิยะถ้ามาเรียนโลกุตระแล้วมันก็จุดหลุดพ้นจบหมดแย่งหมดทิ้งหมดเสพหมดติดคุณล้างได้ก็ได้พึง่งจิตวิญญาณของคุณจะเริญไปตามลำดับคุณก็ได้พึง่งโลกิยะคุณก็แค่พึ่งโลกิยะซึ่งไม่เที่ยงเลย ได้สมบัติมาชาตินี้แย่งไปชาติหน้าก็แย่งกันใหม่หรือไปทําแย่งเขาดังทุจริตชาติหน้าทุนก็มาใช้หนี้เขาใหม่วนอย่างนั้นนะ่ะโอ้โ ห, หน้าเบียดจริงๆเลยนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดเห็นสัจธรรมแล้วจะเข็ดเปลา่าจะเลิอกอย่างอาตมานี่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาก็มาทางนี้นั่นคือกรรมปฏิสระโน ที่เป็นที่พึ่งจากกรรมที่คุณทําคุณทําแบบไหนทำแบบโลกียะคุณก็พึ่งกรรมโลกียะแม้มันจะเป็นกรรมที่มันเป็นส่วนดีของโลกียะหรือเป็นส่วนชั่วของโลกียะคุณก็ต้องพึ่งมันคุณไม่อยากพึ่งนกรรมชั่วใช่ไหมไม่อยากพึ่งบาปกรรมชั่วกรรมบาปไม่อยากพึ่งใช่ไหมแต่คุณทำอ่ะคุณนี้ไม่ออกหรอกไม่วาระใดวาระหนึ่งมันก็ต้องคุณก็จะต้อง รับกรรมนั้นรับบาปวิบากนั้นนะเพราะงั้นมาเลิกซะเลิกกรรมวิบากโลกีนี้ให้ได้แล้วมันก็ลอยตัวหลุดพ้นหลุดไปเรื่อยๆหลุดจากชั้นต่ำมาบายะภูมิกามภูมิรูปภูมิมารูปภูมิก็มันหลุดพ้นเองปฏิบัติให้เห็นจริงให้เป็นจริงเลยคุณจะรู้นะเอาจบกรรมมาปฏิสาระโนนะกรรมเป็นที่พึ่งของตนเห็นไหเนี่สุดท้ายเป็นอย่างงี้ อาที่นี้มาสู่เอสเอ็เอสคุณ4727บอกว่าจะชุมนุมก็ชุมนุมไปไม่ต้องพระพุทธเจ้าเพราะการชุมนุมมันไม่มีสอนในคัมภีร์แทำเก๋นะทำรู้มากทำรู้มากอาตมาคนรู้น้อยก็ขอบอกคุณ4727นิดหนึ่ง วาชุมนุมก็ชุมนุมไปไม่ต้องพระพุทธเจ้าแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติมาชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วคุณไม่ต้องพูดหรอกคุณพูดมาก็เขาพูดเก็เปล่าเปล่าปากปากปล่าไปอย่างนั้นน่ะไม่ต้องพระพุทธเจ้าก็จะไม่ต้องในไงกับพุทธเจ้าไม่มีเขาไม่ต้องอยู่แล้วเพราะการชุมนุมมันไม่มีในคํำมันไม่มีสอนในคำที การชุมนุมนี่แหละมีคำสอนในกรัรมพีอย่างจริงๆเลยพระพุทธเจ้าสอนคนที่จริงนะพระพุทธเจ้าสอนคนเนี่ยพอเริ่มเปิดสอนเล็ดน้อยผู้ที่มีบา ร, รมีฟังเป็นอุคติตันยอยู่พอฟังทำฟิบเดียวน่อยเดียวอย่างพยาสาเป็นต้นมาฟังทำกันเดียวเป็นโสดาบันฟังกันที่สอง เป็นอรหันต์จ้ยพาเพื่อนมาอีกห้าสิบพอพาเพื่อนมาอีกเพื่อนก็มีบารมีสิ่งเหล่านี้เป็นไอจินไตเป็นบารมีที่เขาสังสมมาแล้วจริงมาฟัเทศฟังเทศฟังธรรมุญเจ้าไม่นานอีกเพื่อนอีกห้าสิบกว่าคนบนรรลุธรรมเป็นอรหันต์อีกหมดตกลงได้ปัจจวัคคีย์ห้าอายศ า, ศากับเพื่อนอีกห้าสิบกสิบครับห้าสิบห้าสิบห้าหกสบ อีกหกบรวมก็จะเป็นหกสิห้าเหสบ้าลยครับกั บ, บจักรวัชีอีกหอ้าวที่ส่งออกไปในหกสิบไม่ใช่เหรอครับอลหันอลาหันหกสิรูปที่ออกส่งออกไ ป, ไปเธอจงไปไปเผยแผ่ไปหาไปหาชุมชนเข้าไปสู่ชุมชนเข้าไปเข้าไปหามูชนถ้าไม่ได้บอกว่าอ้าวเธอจะได้เป็นอลาหันแล้วเข้าป่าไม่มีศาสนาพุทไม่เคยสอนเข้าป่า ไปเลยสู่ชุมชนผู้ที่เขายังไม่รู้ธรรมะไปสอนให้ทางานทาให้งามด้วยเบื้องต้นทาา่ามการบรรปลายงามในที่สุดผู้ที่ยังมีทุลีในดวงตาน้อยที่จะสอนเขาได้อยู่มีอยู่ท่านก็สอนให้ไปสู่ชุมชนไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปปฏิประกาศธรรมะ คนนั่งประกาศธรรมะเมื่อใดก็มีคนมาประชุมกันมีคนมาชุมนุมกันมีคนมาฟังธรรมกันการชุมนุมที่มาชุมนุมโดยไม่ต้องการลาบยศสันเสริญโอกียสุขที่เรากำลังพารมเนี่ยนี่คือการชุมนุมของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ทราบจงทราบซะด้วยเปิดศีรษะฟังดีๆ อาจมาไม่ได้บอกว่าเปิดกระโหลกนะอาจจะมาพูว่าเปิดสีสานนะอาจะมาสุภาพนะถ้าไม่ทราบก็จงทราบนี่คือการพากันมาชุมนมมีสอนในคัมภีร์อย่างยิ่งแต่คุณไม่มีปัญญารู้ความจริงว่ามันคืออะไรเท่านั้นแหละจ้า <c oughs> เพราะฉะนั้น ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เป็ดาราหันไปที่ไหนๆป้าเป็นนั่งก็มีคนมาชุมนุมมานั่งฟังธ ร, รมอะไรมีบา ร, รมียุคกุพุทธเจ้ามีคนบา ร, รมีสแสวงหาธรรมะคนมากันทุกที่ไปแต่ยุคนี้เป็นยุคคนตาบอดตาหมืดมัวเมาไม่เอาฐานในธรรมะโลกุตตรธรรมไปที่ไหนหนีก็เจิงมาเลยถ้าทำเมา ไม่ใช่ทำมาทำเมาที่ไหนไปที่นั่นโหนรุมกันเต็มเลยชทำเมาเป็นอย่างนั้นจริงๆในพระธรรมปฎิบดพูดถึงพระละหันสาวกนี่ไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะครับไม่นัดหมายกันก็มาชุมนุมเป็นพันๆกันมารวมกันก็มาชุมนุมกันการชุมนุมโดยเฉพาะชุมนุมคนที่หวังดีปรารถนาดีเป็นการชุมนุมอย่างอิสระเสรีภาพ เป็นการชุมนุมด้วยผู้ที่มีปัญญาเขาจะรู้เขาจะมาเองยังอาตมาขอบอกเลยที่เราพามาชุมนุมที่นี่เนี่ย I don't care if the sun don't shine I don't care if the moon g o blind อาตมาจะไม่แคร์เลยว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงหรือเปล่า อตาตมาจะไม่แคร์เลยว่าพระจันทร์ที่จะมืดหรือสว่างอตาตมาไม่แคร์ลยว่าคนจะมาหรือคนจะไม่มาคนรู้ว่าที่นี่เขาควรมาเขาจะมาคนที่รู้ว่าที่นี่ไม่ไม่อยากมาก็อย่ามาจี เ <t rio> พอภัยเป็นพูดไม่ค่อยงามพูดอย่างนั้นเหมือนกับไปรังเกียร์ังงอนเขาเอาตนามันที่ควรมาแต่เราก็ไม่อยากจะไปง้อไปงอนอะไรเท่าไหร่คืออาตมาเองบอกกรงกลงว่าอาตมาเองอาตมาสุจริตใจนะอาตมามาทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนพระพุทธเจา้าเป็นสอนพระอรหันหกสิรูปแรกที่ส่งออกไปหา ชุมชนต่างๆให้ไปประกาศสัจธรรมและคนก็มาชุมนุมกันมาฟังธรรมนั่นะที่อาตมาอธิบายไปแล้วนะตอบคาตอบของคุณสี่เจ็ดสองเจ็ดแล้วนะทีนี้อธิบายธรรมะอาตมาพามาชุมนุมเนี่ยหรือพามาทํางานเนี่ยให้มาชุมนุมกันให้มาพร้อมกันมาพรั้งพร้อมกันมาร่วมกันทํางานร่วมกันศึกษาร่วมกันทําอะไรใดใครมีเวลาเท่าไหรใครมีแรงเท่าไหรใครมีใจใครมีใจเท่าไหร่มา นะแล้วก็มาร่วมกันทำไปเรารู้เรามีปัญญาว่าเร า, าทำนี้เรามีจุด ม, มุ่งหมายเรามีเจตนารมณเราทำอะไรเพื่ออะไรเราเข้าใจกันนะ Understood ไม่ต้องอธิบายมากละไว้ในฐานที่เข้าใจเราทำอะไรยังไงมีอะไรเป็นองค์ประกอบมีอะไรเป็นจุดสําคัญนะ Interestpoint อะไรของเราที่จะทำเพื่อต้องการอะไร ม, ไมุ่งหมายไปสู่อะไรนะมีสิ่งที่ ที่จะให้มันไปสู่จุดที่ต้องการคืออะไรเราเข้าใจหมดแต่พร้อมกันนั้นเราก็มีธรรมะเป็นตัวหลักเพื่อที่จะให้ธรรมะนี่เป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างและมันจะโน้มนำเรียกว่าค n v เวนซ์โน้มไปสู่จุดอิน e ทอร์สไปของมันเองขอยืนยันเลยขอยืนยันนะ เพราะงั้นการมาทำงานที่นี่จึงทำงานโดยหลักการของพระพุทธเจ้าเลยว่าอาตมาไม่ได้มาทำเพื่อที่จะได้คนมานับถือเพื่อจะได้คนมาเป็นบริวารเพื่อจะได้ลาบยศสันเสริมเพื่อที่จะสร้างกลุ่มหมู่คณะเพื่อไปล้มคณะนั้นเป็นล้มคณะนี้เขาไม่ใช่แม้ เขาอธิบายตรงนี้ว่าไม่ได้มาสะสมคนเพื่อจะให้ได้คนมากๆเป็นล้านหลายล้านเพื่อจะเป็นล้มมันล้มอันนี้ไม่ใช่แต่มันเกิดจากสัจธรรมถ้าคนมารวมกันแล้วก็มาแสดงสิทธิของประชาธิปไตยว่านี่ในระบอบประชาธิปไต ย, ยนะผู้แทนของเราจะเป็นผู้แทนระดับหกผู้แทนระดับหกนั่นคือนายก นายกทำอย่างนี้เราไม่เอาหนะ้าประชาชนเราเป็นประชาชนเราไม่เอานายกทำอย่างนี้มารวมกันล้านเสียงสองล้านเสียงมายืนยันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะนายกบอกให้ไม่เอาไม่ทำอย่างนี้หรือแม้แต่ขอสมมติว่าให้นายกออกไปเราล้านคนมายืนยันนี่เป็นอำนาจของประชาชน ด้วยระบอบประชาธิปไตยมาแสดงดูสิเอาไมล่ล่ะสมมติมาลองอย่างนี้มาออกมาล้านคนจริงๆแล้วมายืน่นอัลติเมตั้มมันนี้ไปสู่นายกปัจจุบันนี่เลยว่าขอให้นายกออกล้านคนออกมาจริงๆสินายกจะไหวไงลองดูไหมออกมาลองแม่อาตมาอยากดูอำนาจปรธิปไตยของประชาชนจริงๆ ขอให้มีมวลล้านคนจริงๆเถอะไม่ต้องนะคนในหกสิบห้าล้านคนเนี่ยขอยืนยันเลยแล้วมาเลยยื่นอัลติเมตัมกับเขาเลยนายกไม่ดียังไงไม่ถูกต้องกันไม่ชอบมาปะกันยางไงเรามีประมวลมาเลยผู้รู้เรามีแล้วยื่นกับเขบคุณหยุดเป็นเป็นนายกคุณจะเป็นผู้แทนที่เลือกมาเป็นเป็นประชาธิปไตยระดับที่หเพราะเลือกมาอย่างอัตมาอธิบายแล้ว ไล่ไม้ฟังจากตัวผู้แทนผู้แทนเป็นเรื่องนายกอีกทีหนึง่งเป็นอันดับที่หนงั้นนายกนี่เป็นเป็นอำนาจที่ปัจจัยระดับที่หประชาชนี่ปัจจัยในดับที่หนึ่งประชาชนระดับที่หนึ่งเชิญออกอยากดูซิว่าจะเป็นยังไงผู้ใดอยากลองมามาดูมารวมกันสักลานคนแล้วก็พากันทําจะให้ผูผ้กองฟูเข้มเป็นคนนําพาไปยื่นเลย ไม่ต้องเอาคนได้ปีชาหรอกเอาปลุกเอาปลูกเข้มไปก็ได้ให้พาเลยล้านคนนี้ไปยืน่นแต่ดูจริงๆต้านคนไปเลยนี่คือประชาธิปไตยต้องต้องเข้าใจประชาธิปไตยแล้วก็ต้องพิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยให้ชัดๆนะนี่ก็อธิบายอะไรสู่ฟังเอา้าขยายความจากที่คุณสี่เจ็ดสองเจ็ดที่ แสดงความรู้ออกมาจะมาก็แสดงความรู้ออกมาไปบ้างวราการชุมนุมนั้นเป็นเรื่องของสัจธรรมตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็โอโหไปแล้วก็คนมารวมชุมนุมกันเต็มทั้งนั้นเลยมานั่งฟังธรรมเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนฟังกันอย่างนั้นจริงๆเลย น, นี่คือสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนไม่มีความรู้ก็พูดไปการชุมนุมมัน ม, ไมีไม่มีสอนในคำที ใช่คุณสอนแต่ว่านี้เอาไปอยู่ป่าเขาทำปลีกไปแต่อยู่แต่ผู้เดียวปลีกอยู่แต่ผู้เดียวก็สอนกันพันนี้่ะแล้วมันก็จะเข้าใจได้ยังไงว่าการศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนเข้าใจไหเอา้าต่อมาคุณเจ3ดสี่สามสองบอกว่าถูกต้องนะคำว่าถูกต้องนี่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ถูกต้องไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ แต่มันอยู่ในจิตสํานึกความเป็นคนชุมนุมดีชุมนุมไม่ดีคุณคนนี้ก็พูดดีพูดถูกต้องคือความถูกต้องไม่ได้อยู่ในคำภี้แยงคุณสี่เจ็ดสองเจ็ดคุณสี่เจ็ดสองเจ็ว่าไม่มีสอนในคำภี้คุณเจ็ดสี่สามสองก็เลยว่าถูกต้องไม่ได้อยู่ที่คำภี้แต่มันอยู่ในจิตสํานึกความเป็นคน ความถูกต้องมันอยู่ในสํานึกความเป็นคนชุมนุมดีชุมนุมไม่ดีมันอยู่ในจิตสํานึกของความเป็นคนนี่คือคําตอบของคุณเจ็ดสี่สามสองเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มาชุมนุมดีหรือชุมนุมไม่ดีโอโห้หนักแน่นดีจังเลยเปิดเสียงทางไมโครโฟนที่รับเสียงเป็นบูมออกไปให้ทางบ้านฟังเสียงเลยนะเดี๋ยวตอบรับประชมาดีๆนะ ที่นี่คุณเจ็1ศย์ดหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติห้ามหรืออนุญาตแต่นักบวชออกมาแบบนี้มาลำบากมาเสียสล ะ, ะคุณนี่โอแก้ต่างอัตมาอีกเจ8ดหนึ่งบอกว่า พ, พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติห้ามหรือไม่ได้อนุญาตอัตมาก็าใช้มหาประเทศไงมาจกานี่ควรหรือไม่ควรอัตมาก็ควรไง อาตมารจริงๆก็ออกมาแสดงธรรมเหมือนยุคพระพุทเจ้านั่นแหละแล้วพวกคุณก็ชุมนุมกันเองใช่ไหมอ่เนี่ยอาตมาก็ออกมาแสดงธรรมแล้วพวกคุณก็มากันเองแต่ท่านที่อาตมาบอกว่าอาตมาไม่ได้มาให้คนมานับถือไม่ในคนมาบริวารไม่ได้มาเอาล่าพรยชอะไรจากคุณไม่ได้มานั่งรวมตัวรมหัวกันเป็นลทัทธิเป็นลมลัทธินั้นเป็นลมลัทธินี้เป็นลมพรรคนั้นเป็นลมพรรคนี้ไม่ มาแสดงจัจตทัพได้มันเป็นไปตามธรรมเท่านั้นเองต่อมาคุณเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งอีกบอกว่าท้าทิเบตพูดถึงเรื่องเราทำกรรมแล้วเนี่ยก็ <c oughs> จะทำให้เราลอยตัวนะกรรมน้ำยาเต็นที่พึ่งที่ชุมชนรัฐานิยโศก โดยโปกติเราจะใช้เราจะอบรมเกษตรก ร, เ, กรเป็นหลักโดยได้รับทุนจากทกศ อ, อันนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปวิจัยเลยว่าเมื่อเขาอบรมเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเกษตรก ร, ท, กรที่อบรมเรื่องล่าบายมุกถือหินห้าไปแล้วเนี่ยคนที่สามารถเลิกล่าบายมุกได้เนี่ยชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยจะหมดหนี้หมดสินสามารถตั้งตัวได้แต่ว่า ถ้ามีเกษตรกรถ้ายิ่งไปกว่า น, นั้นเนี่ยครอบครัวไหนที่นอกจากจะเลิกล่าบายมุกได้แล้วกินมังสวิรัตได้ด้วยเนี่ยครอบครัวนั้นจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเศรษฐกิจเลยนะอันนี้ว่าการรมเป็นที่พึ่งกรรมทำให้ลอยตัวได้อย่างไรเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เชติบๆที่เก็บมาเลยว่าถ้าปฏิบัติทำได้มากเท่าไหร่ก็จะลอยตัวลอยตัวมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้น ต่อคุณ7จ็ดศูนยหนึ่งว่าพระธิเบตพระพม่านักบวชฟิลิปปินนักบวชอิหร่านโอ้โหนี่เอาตัวอย่างเอายืนยันมาเลยนะพระธิเบศพระพม่านักบวชฟิลิปปินนักบวชอิหร่านก็เคยนําประชาชนชุมนุมประท้วงอ่านี่ยืนยันอ้างอิงอันนี้นี่คุณ4727ออีกทีหนึ่ง น้าคุณ 47,27 ที่บอกว่าการชุมนุมมันไม่มีสอนในคัมภีร์เนี่ยที่ตอบไปแล้วลนี่อีกคุณ 47,27 บอกว่าโพธิรักษ์หลงกล SMS เอ็เฉยเลยถ้าจะชนะทักษิณเรื่องเนี่ยเขาย่อเยอะอาตมาเขาย่อเยอะอาตม า, าว่าอาตมานี่หลงกล SMS เฉยเลยไม่เป็นไรเขาว่าอาตมาหลงกล SMS อ็าตมาใช้กลวิย์ เรียกว่ากลลปราณีของอันนี้ใช่อาตมาใช้กลลปราณีนะอัตมามีกลลปราณีในการที่จะใช้วิธีการเป็นกลละวิธีเรียกว่ากลละวิธีนี่และกละวิธีขขงอัตมาในอัตมาตั้งชื่อว่ากลลปราณีไม่ใช่เป็นกลลโหดเหี้ยมนะกลลปราณีไม่ใช่กลลรุนแรงอ่าเป็นกลปราณีที่อัตมาใช้เนี่ยนะ อาคุณพ อ, อคุณสี่เจ็ดสองเจ็ดหาว่าอัตมาห ล, ลงกลของเอเจเอกะว่ากันไปอัตมาใช้เป็นประโยชน์เลยอัตมาเห็นวันดี0ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดบอกว่าอยากให้เสเตียโศกไปตั้งสาขาที่ลำพูนแว่นลำพูนอา้าฟังไว้อัตมาอยากจะไปแต่งตั้งทัวร์ประเทศนะมันไปไม่ได้มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคุณห้าสามศนย์หนึ่งบอกว่าไออี e, ที่มีหน้าต า, อาขออภัย ไออไออีที่มีหน้าที่ใช้คำหยาบหน่อยไออีที่มีหน้าที่แต่ไม่ทําหรือทําก็โลภรับสินบนอมาตโจรอาจแม้ทําก็โลภรับสินบนอมาตโจรนะสิมันบัดซบโอ้คนนี้แรงเนาะเสียชาติเกิดว่างั้นเอาความ อ้าวเอาละอ้าวที่นี่มาแล้วคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้ามาเย้วมาเย้วคุณแปดเจ็ศนห้าบอกว่าหลวงพี่จะสัตตหะมาวิปัสสนาการเมืองที่สวนลุมนี้แบบถาวรหรือเปล่าอาอ้าอา้า คุณแต่จ8 7 0าถามมาก็ดีสต้าหาหมายคำว่าอาตมานิจมปรญสาอยู่บรรดาถ้าจมปัญสาอยู่ที่ไหนจะออกจากที่ไหนไปนี่ไปได้แค่เจ็ดคืนเป็นอย่างสูงขาดผ่านเจ็ดคืนไปนี่ถือว่าขาดปรรษาอาบัตน่ไม่ดีเพราะงั้นจะต้องอยู่ในที่จาพรรษานะั้นจะต้องอยู่ให้ตลอดน่าอย่าให้ขาด ท่านเรียกว่าขาดขาดอะไรท่าเรียกว่าขาดอะไรนะมีมีสัพขาดตันสาขาตันสาเนี่ขาดถ้าเกินเจวันแล้วขาดตันสาต้องไปวิกับนะต้องกลับไปคืนซะก่อนแล้วถึงจะกลับมาได้อตมาก็เลยกะว่างนี้อตมามาที่นี่หกคืนแล้วกลับไปบันลาดไปนอนค้างคืนหนึ่ง ไม่ขาดไงไม่ขาดราตรีอ่าเขาเรียกว่าไม่ขาดราตรีพอค้างคืนหนึ่งเจ็ก็มาสัตหามาใหม่อีกหกคืนก็กลับไปบรรดาษอีกและนอนอีกค้างคืนหนึ่งแล้วก็มามหม่อาตมา จ, จะทำอย่างนี้อเอาไหม เอาทีนี้ก็คําตอบคุณ8705ถามว่าหลวงพี่จะสัตหะมาพิพิจารณาการเมืองที่สวนลุมนี้แบบถาวรเลยหรือเปล่าถาวรมันยาวเท่าไรล่ะถ้าคนบอกว่าพูดกับอาตมาเดียวว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไปนี่แป๊บหนึ่งนะอาตมาก็แป๊บหนึ่งนี่มันหเมตรนะมันยาวเท่าไร่บอกอาตมาหน่อยอ่าถ้าเลยหเมตรนี่มันไม่ใช่แป๊บเลยมันเลย เพแป๊บหนึ่งมันมีที่เขาขายขายกันอยู่นี่มันมาตรฐานนุ้นเขแป๊บหนึ่งมันหกเมตรใช่ไหมอ่าเพราะว่าแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งมันหกเมตรแล้วถ้าเปื่ว่าคุณมันมันมันเท่าไหร่ล่ะมันแป๊บหนึ่งจะมหกเมตรหรือไม่ถึงแป๊บหนึ่งมันหกเมตรนะคุณไปแป๊บหนึ่งเอาหกเมตรเต็มหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันท้าบอลนุ้คุณมันยาวเท่าไหร่อ่าท้าบอลคุณยาวเท่าไหร่อ่าก็ตอบคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าว่าที่นี่อนุมัติให้อาจจะมามา ต, ตะหะและอาตมาก็ไม่ได้ผิดธรรมวินัยอาตมาก็กลับไปไม่ขาดราตรีห6คืนนอนที่น่นคืนนึงกลับมานีห6คืนก็กลับไปนอนคืนนึงกลับมานีห6คืนเอออ้าวอาตอมาคุณแปด็ดห้าบอกว่า <c oughs> เห็นด้วยกับไล่แมวร0อยเปอร์ซนะเขาบอกว่า เห็นด้วยกับไล่แมวร้อยเปอร์เซนต์แต่ไม่เห็นด้วยกับพระที่แหกพันษามาชุมนุมที่อโคโจร <considers S 1> อ้าวขยายความความคิดความรู้ของคุณแปดเจห้ากับความคิดความรู้ของธมาต่างกัน อาเห็นด้วยกับไล่แมวร้อยเปอร์เนนั่นก็โอเคมันเป็นร่วมกันได้เป็นสังวาสเดียวกันแต่มันาน า, นาสังวาตตรงที่ว่าแต่ไม่เห็นด้วยกับพระที่แหกพันษามาชุมนุมที่อโคโจรแค่นี้คุณแป0เจดห้าก็ไม่มีความรู้ว่าพระแหกพรรษาคืออย่างไรอาตมาประพฤตินี่มันแหกพรรษาหรือเปล่า อัตตาแค่สัตตาหะนะจ๊ะแค่นี้ก็ไม่มีความรู้ทางธรรมะพุทธเจ้าอ่าจะมาตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้พวกคุณก็โอเคน่าว่าจะมาจะสัตตาหะมาแล้วก็ไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดราตรีตามธรรมวินัยเปี้ยเลยทีนี้อีกอันหนึ่งประเด็ดนหนึ่งก็บอกว่าแห่ฟันสามมาชุมนุมไม่ได้แห่ ทำตามรรมวินัยเปะเลยถ้าชุมนุมกันนี้ประโยชน์ท้งออกพรรษาอาตมาก็อยู่ในสัปตาหาอย่างไม่ผิดขาดไม่ขาดราตรีขอยืนยันไม่ได้ผิดธรรมวินัยเลยขอยืนยันอาตมาจะปฏิบัติให้ได้นาทีนี้บอกว่ามาชุมนุมที่อะโคจร น, นี่ต้องมีความรู้ว่าอะโคจรคือที่อย่างไร อ่ะไม่ใช่ทำเนียบเราก็ถือว่าเป็นที่โครจรได้เคยโครจรมาแล้วไงเป็นนอนในนั้นยังเคยเลยอะโครจรที่ไหนที่ที่เราไปเผยแพร่ธรรมะได้ไม่ใช่ที่อโครจรถ้าที่ที่ไปแล้วคุณเผยแพร่ไม่ได้ ที่นั่นเป็นที่อโครจร อ, อ้าวไขความไขความแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าที่อโครจรเช่นนรกที่ตรนี้ร้อนแรงมากเป็นโลกีย้ย่ำฉาเลยาวางกันนะโอ้โหเต็มไปด้วยโลกีย้ย่ำฉาเลยเป็นที่อโครจรมากเลยเป็นที่เรียกว่านรก แต่คุณรู้ไหมว่าอัตมานี่เป็นพระมาลัยสามารถที่มีภูมิคุ้มกันที่จะไปแสดงธรรมได้ที่ที่ตรงนั้นแหละที่ที่มันร้อนฉานนั่นแหละไปได้เพราะมีภูมิคุ้มกันพอที่ตรงนั้นจึงไม่ใช่อโคจร เป็นพระมาลัยปโปรดสัตว์ในนรกนั้นได้แม้ยุคนี้ร้อนฉามากสัตว์นรกอยู่ในนี้ฟังธรรมไม่เป็นก็ตามแต่สัตว์นรกอะไรไม่มาทำร้ายอาตมา ก, ก็ใช้ได้แล้วอาตมาก็ปโปรดผู้ที่จะแสวงหาและผู้ที่เขาตั้งใจจะรับเอาได้ เท่านั้นก็พอแล้วอาตมาไม่ใช่คนตะกละ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นคำว่าอโคจคุณความหมายของ ค, ค น, น, ง <c oughs> นคนลลมินนิ่งมันคอลลมินนิ่งเลยนะอคจอนของคุณกับของอาตมาของคนมันตื้นตื้นคุณนะอคจอนของคุณตื้นตื้น แล้วคุณก็จริงของคุณน่ยคนนั้นคุณไปไม่ได้หรอกที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยคุณไปไม่ได้หรอกแต่อัตมาไปได้ว่าอัตมาจะไปหรือไม่ไปเท่านั้นเองแต่ที่ตรงนี้เนี่ยอัตมาทําให้เป็นที่อนันหน้าโคจรไม่ใช่อะโคจรจริงๆพ อ, อยืนอย่างว่าที่ที่นี่เป็นที่ที่ควรจะมาโคจรควรจะมาอยู่ที่ไหนออกมาที่นี่ ใครบอกว่าที่นี่เป็นที่อัโหจรจริงไหมโอโหเรื่องลมจะตายคนที่ที่จะบอกให้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสของท่านว่าอย่างนี้อาตมามาขอขอพูดตามท่านบ้างเล็กๆไม่ใหญ่อะเล็กๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านนอนตรงไหนที่นั่นเป็นทิพท่านนั่งตรงไหนที่นั่นเป็นทิพ ต่อให้เป็นนรกขนาดไหนก็ตามเพราะงั้นแม้พระมาลัยนี่ท่านไปโปรดศัตว์ไปโปรดในนรกที่นั่นก็เป็นทิพย์ที่นั่นก็จะมีราศีรันศีของธรรมะกระจายออกไปแล้วทำให้เกิดสว่างเกิดทำอะไรให้ร่ารุ่งเรืองขึ้นได้มากหรือน้อยตามบารมีอาตมาก็ทาตามบารมีของอาตมาเล็กๆตามภาษาอาตมา พระอาตมาจะมาทําที่นี่ไม่ให้ที่นี่มันมืดมนอนตการไม่ให้ที่นี่เกิดสิ่งที่เป็นอาธรรมจะให้ที่นี่เป็นสัจธรรมไม่ให้เป็นอนธรรมอันนี้เป็นเจตนาและร่วมกันเลยร่วมกันทําเลยนี่เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นต้องทําเข้าใจองค์ประกอบของธรรมะให้ทุ่นทวนแล้วทําให้มันตรงทําให้มันถูกตรงเพราะรอาตมาก็ทําอย่างถูกตรง อ้าวผ่านของคุณ8ปดเจ็ดศูนย์ห้าบทนี้ต่ออีกมีหลายอันคุณ8ปดเจ็ดศูนห้านี่หลายอันต่อมาบอกว่าตอนนี้ลองสังเกตดูคนฟังกำลังเบื่อนายลุกหนีกันเป็นแถวๆเลยเอ่าว อ้าวบอกความจริงไปให้คุณ8705กล้องถ่ายไปเห็นจะชัดที่ว่ากำลังคนกำลังเบื่อนายคนกำลังลุกออกไปจะแถวๆเลยอ้าว <c oughs> คุณ8705ว่ามา <c oughs> อ่าถ้าคุณ8705ตาไม่บอด ก, ก็ตาตาล่อตาล่อ ภาษาอีสานว่าตาล้อภาษาไทยแปลว่าตาทัวภาษาอีสานแปลว่าตาล้อเขาเรียกว่าคนตาล่อตาล้อนี่คือภาษาอีสานแปลเป็นไทยว่าคนตาทัวถ้าไม่ตาบอกก็ตาทัวเท่านั้นเองน้องพูดว่าได้ข้านกับความเป็นจริงนอาตมาเริ่มเทศนในคนยังไม่แน่นเท่านี้ใช่ไหม อาจะมารเริ่มเท่คนไม่นัน่นตอนนี้นี่เทศไปเท่ไปคนยืนทิ้แถวข้างหลังแล้วคุณแปดเจ็ศูนห้านี่ก็พูดสง่สงๆมาได้พูดอย่างคนตาบอดด้วยตาถัวเขาบอกเล็บมาด้วยนะว่าถ้ากับวงแตกลูกนี้ก็เป็นแถววงเล็บเท่ากับวงแตกคนนี้นี่แหละคือคนมีฉายาว่า บรุษทรงเดชคนจะนี่นี่คือคนบุรุษทรงเดชแ ท, ท้ๆเลยเอา้าวต่อมาอีกคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าแมวมีไม่มีต้นทุนทางศีลธรรมแมวไม่มีต้นทุนทางศีลธรรมก่อนนั้นนะก่อนนั้นบอกว่าแม้วไม่มีต้นทุนทางศีลธรรมก่อนนั้น โคทิรักไมิใช่หรือที่ชมว่าแมวเป็นคนดีก่อนนั้นเนี่ยโคธิรักไม่ใช่หรือที่ชมว่าแมวเป็นคนดีใช่อาตมายอมรับอย่าว่าแต่อาตมาชมเป็นคนดีเลยประเทศไทยนี่หลงลงแมวไปเท่าไหร่ใช่ไหม อาตมามีเพื่อนเยอะนะเสียหลงหลมแมวเนี่ยเก่งคิ่ผ่ายเลยแมวเนี่ยเราไม่ไม่ปฏิเสธเลยว่าเราหลงหลมชาตินี้อาตมาเกิดมาอาตมาเคยหลงหลมคนเยอะอาตมา ถ, ถูกหลอกมาเยอะชาตินี้จริงแต่อาตมาไม่ได้หลอกใครเลยหลอกใครไม่เป็นชาตินี้แมเรียกว่ามันได้ชาติเกิดจังเลยคือไม่เสียชาติเกิดนะ่ะ เกิดมชาตินี้มันได้ชาติเกิดจังเลยคือได้ชาติชาตินี้มานี่มันไม่เคยไปหลอกใครเลยไม่ได้คนหลอกเรา <c oughs> เพร า, าคนหลอกเก่งๆแล้วก็สู้ไม่ได้เพราะเราหลอกไม่เป็นเราไม่ทันนี่ว่าการหลอกเรามันรู้จักแต่การดีการหลอกเราไม่เป็นเราไม่เก่งยอมรับนะว่าเราหลอกไม่เก่งคนหลอกเก่งก็หลอกไปสิเราก็ยอมแพ้เราก็เราก็ยอมรับ เพราะฉะนั้นเราไม่หวดดีหรอกว่าเราเองนี่ถูกหลอกไม่ได้ถ้าลูกทอกได้เพราะว่าเราหลอกไม่เกง่งเราไม่รู้ทันคนหลอกหรอกอ่ายิ่งคนหลอกเกง่งจิบหายเลยนี่ครจะไปทันเขาโ อ, โอ้ใช่ไหมเพราะที่หลอกเกง่งจิบหายเนี่ยคนยังงม ง, งายงม ง, ง, งายของเขาอยู่ยังถูกเขาหลอกอยู่นี่ยังมีอยู่เยอะเลยในไทยอ่ะ โอ้ต้องเชื่อเลยว่าหลอกเก่งชิบหายเลยเพราะในผู้ใดที่รู้ทันแล้วกลับตัวซะเร็ววก็ขอขอบคุณและก็ขอชมเชยคุณแปดเจ็ดห้าคุณยังไม่ได้เป็นหลงลมแปดแมวเขาสาธุแล้วละอนุโมทนาด้วยคุณแป0เจห้าที่คุณไม่หลงลมแมวอ่า แต่คุณอย่ามาถล่มอะไรอาตมาเลยคุณไม่หลงลมคุณไม่ถูกแมวหลอกนขออนุโมทนาสาธุคุณเก่งอาตมายกย่องชมเฉยให้อาตมายอมรับ ว, ว่าจะมาถูกหลอกอ่าหาศดหนึ่งบอกว่าพวกครูเคยเอ่ยชมทักษิณว่าเก่งดีเหมือนคนทั้งหลายที่โดนทักษิณต้มจนเปื่อยอ่าคนนี้รับรองแทนแอาตมาอีกคนหนึ่งใช่ อาชนี้คุณแปดเจ็ดห้าอีกบอกว่าอย่าไปโทษเสื้อแดงที่หลงเชื่อแมวนะอย่าไปหลงเชื่อแดงที่หลงเสื้อ h, ที่หลงเชื่อแมวทีพวกชาวโสอเองก็อย่าหลงเชื่อโพทธทรักเลยก็ ว, ว่าันโอ้เก่งจริงเจ้งเก่งจริง ๆ, ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเปรียบเทียบน่าฟังแต่ไม่เป็นความจริงเพราะแมวนั้นหลอกจริงๆ เสื้อแดงถูกแมวหลอกอยู่จริงๆแต่ชาวโศกไม่ได้ถูกโพธิรักษ์หลอกเลยมีแต่ความจริงใจและความจริงจริงๆอ่าโพธิรัก์ไม่เคยมีความหลอกมีแต่ความจริงและความจริงใจอ่มีแต่ความจริงและความจริงใ จ, จ, ง จ, งใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นความตาถั่วของคุณแป0เจ็ดศูนย์้าอีกแล้ว ตาถั่วอีกแล้วครับแม้ว่าะหลอกจริงๆอาตมาเชื่อก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังหลอกอยู่แต่อาตมาไม่เคยหลอกจริงๆมีแต่ถูกหลอกจริงๆงอวอนอศเนี่ยผู้ที่มาอศนี้ไม่ไม่ถูกโพธิรักษ์หลอกหรอกเพราะว่าหลอกไม่เป็นที่มานี่ไม่ได้หลอกจริงๆอหนึ่งห้าสองหกบอกว่าขอโอกาสพ่อครูครับ พาะครูเป็นผู้ในวงเล็บเปิดธรรมะที่ถูกปิดเปรียบเหมือนบุคคลายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางผู้นี้คือเป็นภิกษุจันทศโผโนอยู่ที่บึงการท่านเป็นพระท่านรับรองอาตมามาว่าอาตมาเป็นผู้เปิดของที่คว่งาหของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็น เป็นผูท้ที่คือไม่ได้ว่ารับรองอาตมานะอ้าวคุณ8ปด5็ดห้าอีกโอ้โหอีกเยอะนะเขาอีกร้ายจันฟังต่อคุณแปดเ็ดศูนาบอกว่าในประเทศไทยนี้พระทั้งสามแสนรูปนะในประเทศไทยนี้พระทั้งสามแสนรูปไม่มีองค์ไหนจะแสนรูปเกินมหาตามะ4ีเจ็ดโพธิรักแล้ว อขอให้คำพูดของแปดเจ็ดห้าที่พูดว่าในประเทศไทยนี้พระทั้งเจ็ดแสนรูปไม่มีองค์ไหนจะแสนรูปเกินมหาธรมเสซีเจ็ดโพธิรักแล้วเนี่ยขอให้คุณแปดเจ็ดห้าพูดคำนี้แล้วเอาไปทบทวนตรวจสอบให้อัตมานหน่อยอาจจะเจอความจริงก็ได้ ไปตรวจสอบให้อัตมาหน่อยอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นเขาขายืนยันว่าอัตมาขอพูดความจริงไปตรวจสอบให้อัตมาหน่อยพระทั้งสามแสนรูปในเมืองไม่ไม่มีในประเทศไทยนี้ไม่มีองค์ไหนจะแสนรู้เกินมหาธรรมโพธิลักษณ์นะเนี่ยทีเจ็โพธิละแล้วอ่า เอาขออภัยนะอาตมาไม่ได้ท้าทายแต่คุณแปดเจ็ศูนหน้าพูดมาก็อยากให้แปดเจ็ดศหน้าไปรู้ความจริงไงเพราะงั้น ก, ก็ควรไปตรวจสอบดูบ้างมันจริงหรือเท็จคุณพูดมานั่นนะอาตมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าพระสามแสนรูปในเมืองไทยในประเทศไทยนี่มีองค์ไหนที่รู้รู้พันรู้หมื่นรู้แสนเหมือนกับพระโพธิรักษ์ไหมนะ ต่อมาคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าอีกบอกว่าธรรมะของโพธิรัตดูเหมือนว่าจะดีธรรมะของโพธิรัตดูเหมือนว่าจะดีแต่เสียที่แต่เสียที่ชอบชมตัวเองเหมือนแมวไม่มีผิดอ้าวตอบให้สำคัญ อาตมาไม่ได้เคยชมตัวเองอาตมาทมตัวเสมอว่าอาตมารู้น้อยอาตมาเป็นผู้ที่กำลังศึกษาไปอาตมาจะขอโทษขอโพยขออภัยตลอดเวลาอาตมาว่าผิดคาเดตเตอร์ของผมแมวกับโพธิ์ที่รักในผิดกันคนละทางแมวไม่ได้เคยมาขอโทษขอโพยอย่างอาตมาเลยไม่ขออภัยออกจากฝากแมวเลยใช่ไหม ก็ฉะนั้นแค่นี้แปดเจ็ดูนย์ห้าก็ดูยังไม่เป็นตาถั่วอีกแล้วครับอ้อมันต้องใช้เสียงของ ผ, ผู้กองผูกเข็มมั้งแค่นี้ก็ตาถั่วอีกแล้วครับอ่า ชมตัวเองเหมือนแมวไม่มีผิดโอ้ผิดกันไกลคนละฝากฟ้าเลยนะไม่เหมือนกันหรอกอาตมาไม่ได้ชมตัวเองอาตมาพูดขอโทษทุกทีว่าจะพูดถึงสิ่งดีที่ตนเองเป็นอาตมาก็พยายามพูดอย่างถ่อมตนและก็อย่างระมัดระวังถ้าจะไปกระทบคนอื่นอาตมาก็ขออาภัยขอโทษเสมออาตมายืนยันได้นะว่ามีลักษณะอย่างนั้นไปเอาเทพไปเอาข้อคำพูดองาตมามาพูดมาม า, มาทวนได้เลย อาตมามีสติอาตมาทำหน้าสมาแต่อาตมาไม่เคยเห็นแมวขอโทษขอโพยอมรับผิดอย่างอาตมาเลยไม่เคยจริงไหมเพราะฉะนั้นคนที่มองสภาวะของพฤติกรรมกายวินยตขอใช้ภาษาศาัพท์เทคนิคของศาสนาหน่อยองค์ประชุมของการแสดงออกทางท่าทีลีลาซุ้มเสียงสนียงคร้องหมนึกว่าองค์ประชุมของจิญาอิเดียบทต่าง องประชุมขออ้อ น, นี้แสดงออกมาแล้วมันสื่ออะไรคุณแปดเจ็ดศูนยห้ายังมองไม่ออกเลยเวลยายาวิน ญ, ญาตของแมวกับของโพิรตีนี่ต่างกันอย่างไรมันต่างกันอย่างไรยังไม่รู้เลยใช่ไหมมันต่างกันคนละฟากฟ้า ก, กับหุบเหวเลยอ้าวเอาล้านี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นของอคุณแปดเจ็ดศูนห้าต่อมาอีกคุณแปดเจ็ดศูห้าบอกว่า ผู้รู้ธรรมะมีมากแล้วผู้รู้ธรรมะมีมากแล้วตอนนี้ประเทศกำลังต้องการผู้กล้าเสียสละเพื่อชาตินั่นสิคุณออกมาไม่ล่ะแปดเจศูนห้ากล้าไหมกล้าไหมโอ้นั่นสิอาตมาออกมาแล้ว คุณที่ยังไม่ออกมาโอ้โหพูดแล้วเข้าตัวเองหรือเปล่าแม้แต่เข้าใจผิดว่าออกมาชุมนุมอย่างนี้ยังไม่รู้เลย ว, ว่าคนกล้าหรือคนกลัวพวกคุณที่คนกล้าหรือคนกลัวตาบอดอีกแล้วครับโอ้ แ7 0เจ็ศ้าเอ้ยพ่อภัยนะอาจจะมาเอาสัจธรรมที่คุณเองพูดเองเอามาเปิดเผยแล้วเอามาชี้คุณจะเข้าใจบ้างไหมเนี่ยจะยอมรับบ้างไหมเนี่ยะเอาต่ออีกคุณแ7 0เจนห้าบอกอีกบอกว่านายกปูพูดการเมืองไม่รู้เรื่องคนหนึ่งแล้ว โพธิรักพูดธรรมะยังไม่รู้เรื่องอีกเชื่อเชื่อแต่เจตุนาไม่รู้เรื่องที่ธรรมะที่โพธิรักพูดหรอกเชื่อเชื่อจริงจริงโอ้ไม่ต้องพูดเลยธรรมาเชื่อตั้งแต่นานแล้วว่าแต่เจตุนาฟังธรรมะธรมาไม่รู้เรื่องเชื่อนานแล้ว ว่าคุณหูหนวกตาบอดมืดดำยิ่งกว่าอะไรขอยืนยันจริงจงอาตมาขออภัยนะที่พูดชัดเจนไม่ได้ไปโถงสารนะงสารนะรงสารว่าเอ อ, เ, อ, อเขาจะดำมืดไปอีกนานไหมเนี่ยออไม่ต้องเอาอตมาไปยกเปรียบเทียบกันนาะยกปูหรอกอคุณเองก็ ชั้นเดียวกันบนายกปูนนั่นแหละก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้เรื่องพูทการเมืองไม่รู้เรื่องอัตมาพูทธรรมะคุณก็ไม่รู้เรื่องคุณก็เหมือนอู๋อ่ะพระจาจีนบอกว่าแปะเอียศศ ร, ร์พระจาอังกฤษไปว่าเดิมอืม อ้าคุณแปดเจ็ดห้าอีกทีหนึง่งยังไม่หมดนะคุณแปดเจยังไม่หมดสมัยนี้เงินเป็นใหญ่ธรรมะเป็นรองจะเอาชนะนายนเกเ็บทุนใหญ่แม้วยากมากมากเปิดเปิดฉากความโง่อีกแล้ว สมัยนี้เงินเป็นใหญ่ธรรมะเป็นรองจะเอาชนะนายในาเวบทุนใหญ่แมวนี่ยากมากๆ8705นี่มืดจริงจริงอาตมาไม่เคยคิดจะเอาเงินไปเอาชนะทักษิณหรือแมวเลยอาตมาพากันมาพิสูจน์ความจนอันมหาศาลพามาพิสูจน์ความจนอันยิ่งใหญ่ ว่าเราทำงานอย่างคนจนนี่แหละเราจะพยายามทำงานอย่างนี้ไปกอบกู้ประเทศอัตมาจะไม่เอาเงินมากอบกู้ประเทศอาจจะมาเป็นลูกเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก้าเอาแบบคนจนเอาล็อตอีสต์เอาเ คุณไปอยู่กับแมวจะไปคุณจะไปเอาชนะแมวหรือไม่แมวนี่คุณก็ยังมีทิศเดียวกันกับแมวจะเอาเงินเป็นใหญ่แล้วคุณก็ชนะแมวด้เงินไปไปไปไปไปมันคนละทิศคนละทางเลยอ้าเอาแปดเจ็ดศูน้า 8, 7, 5, ให้หมดซะก่อนอีกสองอันโอ้โหเหลือเวลาอีกเจ็นาที แออัอตอมาอีกเจ็ดนาทีนี่เดี๋ยวให้คุณสรุปศูนนาทีก็นแล้วกัน ค, <laughs> คุณ8ป0็ศูนห้าอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าทำไมพวกสาวกของอรหันต์โพธิรักษ์แม่เรียกอรหันต์โพธิรักษ์เดยนะทำไมพวกสาวกของอรหันต์โพธิรักษ์ถึงมีอารมณ์รุนแรง ไม่มีวิแววของนักปฏิบัติธรรมเลยอาขอตอบแทนแทนสาวกของโพธิรัตน์สาวกของโพธิรัตน์มีความแรงจริงแรงด้วยอารมณ์จริงอารมณ์สนุกเบิกบานจ้าไม่ได้เป็นอารมณ์ที่เครียดแทน ไม่ได้เป็นอารมณ์ที่ระหำเผาบ้านเผาเมืองยืนยันได้เลยเผามันอเอาน้ำมันมา อ, ออกไปทุกศาลาออกไปศาลากลางแล้วไปชอบเองไม่มีในพวกเราเลยแรงจริง แต่แรงด้วยคุณงามความดีแรงด้วยอารมณ์เบิกบานร่าเริงแรงด้วยความเป็นมิตรสหายไม่มีความร้ายกาศมันคนลเรื่องเลยว่าแปดเจ็ดนหน้าเอ้ยอ้าวอันสุดท้ายของแป0เจ็ดห้านอนที่จมอยู่ในหลุมขี้จะไม่รู้สึกเหม็น สัตว์นรกก็ฉันนั้นเหมือนกันใครเอ่ยโอ้แป่เจ็ุน์ห้าพูดถูกตอนท้ายนี้แต่มันคือใครวะ wow. นอนที่จมอยู่เต็นในหลุมขี้จะไม่รู้สึกเหม็นสัตว์นรกก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกต้องแต่มันใครวะ wow. อา้าวทีนี้มาเอาเนื้อหาอีกสองสองข้อข้อความของคุณสา98บอก ว, าวาอาา่าเวลาพ่อท่านทําหน้าเครียดเวลาพ่อท่านทาหน้าเครียดหน้าตาเหมือนมีโทสะแนเบเล็บจะอ้างว่าศิลปะงั้นนะจะอ้างว่าศิลปะหน้าตาเหมือนมีโทสะกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆดูรูปไม่งามเลย คนนอกๆยังต้องอาศัยรูปก่อนปัญญาน่ะคนนอกๆยังต้องอาศัยรูปก่อนปัญญาน่าจะใช้ศิลปะแสดงรูปให้ดูดีเพื่อนคนใหม่จะได้ไม่ต้านก่อน อ, อันนี้ก็มีความจริงอยู่นะมีความจริงก็ขอน้อมรับว่าหน้าเครีย ด, เยดนเวลาอาตมาแสดงทําหน้าเอาจริงเอาจังนี่มันเครียดคือมันซีเรียสโดยภาษาอังกฤษนั่นแหละ มันจริงจังมันเอาจริงเอาจังเครียดมันมันนะมันก็เป็นหน้าตาอย่างนั้นนัจกขีตวดีตะนะทีนี้คนก็ดูตื้นตื้นนะเหมือนโทสะแล้วอาตมาบอกว่าดิไปศิลปะการแสดงก็บอกว่าศิลปะมันก็คนดูข้างนอกเขานี่เวลาดูแล้วมันไม่งามมันดูเหมือนคนโกรธซึ่งอาตมาก็ว่ามันก็อาจจะเป็นได้มองอย่างนั้นได้แต่อาตมาเขาว่าอาตมาก็ยิ้มในหน้าอยู่นะ พูดจบอาตมาก็ยิ้มพูดจบเขยิ้มแม้จะแสดงแรงๆใช่าหมแข้งแข่งอะไรเซลอัตมาเยตาอาตมาจะแสดงตัวเหมือนผู้ร้ายหน้าตาเหมือนผู้ร้ายอาตมาก็แสดงได้ทันทีแต่อาตมาถึงร้ายยังไงก็ได้ไม่เหมือนหรอกอาตมานี่จริงๆทาแสดงสิ่งที่ไม่ค่อยงามนี่ไม่ค่อยเหมือนอาตมาจะเล่าให้ฟังอันหนึ่งถ้าใครเคยเห็นรูปถ่ายอาตมาน่จะเห็นรูปถ่ายอันหนึ่งอาตมา แสดงท่าสุบุรีอัตมาเจตนาเลยไปที่ห้องถ่ายภาพเลยนะห้องถ่ายรูปที่เขาถ่ายจับจ้างถ่ายรูปนี่ให้เขาถ่ายให้อัตมาเตะท่าสุบุรีอยากได้รูปสุบุรีไปเสียตังให้เขาถ่ายถ่ายรูปในห้องถ่ายรูปร้านถ่ายรูปเนี่ยจะเสียตังแล้วก็อัดมาเป็นโหลๆอย่างที่ใครเคยเคยถ่ายย่อนมาสมัยโบราณเตะท่าสุบุรีอ มีรูปนี่ยังออกมาแล้วนี่ดูสินี่ถฐานเนี้ยนี่นี่นี่นะเนี่ยโพธิรักษ์โอ้โหนี่ไปเอาแว่นตาของพี่เข้ามาใส่ตาไม่ได้เสียนะตอนนี้ยังหนุ่มนะแต่ตอนนี้เป็นไทฟอยอาจจะมาเป็นไทฟอยแล้วผอมหน้าตอบมากเลยก็ลองอยากจะเป็นอย่างโลกโลกไปหัดสุบุรีไปหัดกินเหล้าก็ไปเตะผ้าสุบุรีเสร็จแล้วเพื่อนมันกรมาดูเพื่อนบอกว่า โอ้โถเ้ยใครก็จับได้ว่าสุบุรีไม่เป็นวางท่าสุบุรีไม่ถูกเลยใครคนก็สุบุรีเป็นก็ไม่จับบุรีแบบนี้หรอกเขาจับได้คือแสดงท่านัจจะของอาตมานี่หน้าท่าชั่วนี่มันไม่คือไม่คือมันไม่เหมือนนี่เรื่องของเรื่องเรื่องจริงนะเล่าให้ฟังนะเอาผ่านเอาอันอันสุดท้าย สามเกา 3, 9, 9, 8บอกว่าฝากกลับลองดูย้อนเอาหน้าพ่อท่านนี่มา ด, ดูแต่ละจุดแต่ละจุดสามารถปรับได้ครับคนนอกฝากบอกมาอ้าวยอมรับนะนี่เป็นเรื่องของอของการปรับนัจกจักรคีตะวาทิตะนะก็เอาละอ้าวส่งท้ายด้วยเฟซบุ๊ก ความเห็นที่ห่วงใยจากนักกฎหมายท่านเดิมบอกว่าถ้าจะเล่นการเมืองก็เล่นมันให้เต็มตัวจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในสถานภาพของนักการเมืองนี่พวกท่านอยู่ในคราบของนักบวชและไปแสดงบทบาททางการเมืองมันย่อ็ไม่เหมาะสมสังคมที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้นี่เหตุหนึ่งก็เพราะว่าคนไม่รู้จักหน้าที่ นคนมารู้จักหน้าที่การรู้จักหน้าที่คือวินัยอย่างหนึ่งของสมาชิกในสังคมต้องเพียนปฏิบัติให้ได้บนเวทีต่อสู้ทางการเมืองนั้นปเป้าหมายคือชัยชนะอย่างเดียวโดยบางครั้งก็ไม่คำนึงถึงวิธีการว่ามันต้องชอบธรรมหรือไม่มันจึงเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาด้วยสติให้มากๆครับ ขอบคุณที่เตือนแต่อาตมาก็ขอพูดความเข้าใจของอาตมาให้ฟังนิดหนึ่งว่าหนึ่งคำว่าหน้าที่หน้าที่ที่อัตมาจะมาช่วยทำการเมืองให้มันบริสุทธิ์สะอาดให้มันเป็นสันติอหิษสานซื่อสัตว์บริสุทธิ์ข่มลึกแม่นประเด็นเนี่ยอัตมาทำหน้าที่นี้ถูกต้องตามมาตราเจ็1สบเจ็สบอของ รัฐธรรมนูญนี้นะซึ่งไม่ได้เลเว้นเลยว่านักบวชห้ามทำไม่มีเลยในวินัยก็ไม่มีในกฎหมายก็ไม่มีว่าห้าห้ามนักบวชออกมาทำอย่างนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ประชาชนถูกต้องแล้วทีนี้ในเรื่องของความเข้าใจของคุณเนี่ยคุณเข้าใจว่าเป้าหมายของทางการเมืองนั่นคือชัยชนะอย่างเดียว มีชัยชนะสองอย่างชัยชนะอย่างทําอย่างโลกโลกเอาชนะการด้วยความรุนแรงเอาชนะการด้วยความคงคีาแบบเจงกิสการแบบคนเถื่อนแบบมันชาวพวกมิลค ะ, ข, ะของเราเป็นพวกอรียกะแล้วเราจะชนะกันด้วยปัญญาชนะในความถูกต้องชนะเขาด้วยความบริสุทธ เพราะฉะนั้นการชนะมีสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวนี่คุณเข้าใจผิดไปทําความเข้าใจเส้นใหม่เพราะพวกเราจะชุมนุมทํางานการเมืองกันชนะกันอย่างไม่ใช่อย่างเจงกิสการอย่างอล ร, ริสันเดอร์มหาราชในสมัยโบราณฆ่าแกงกันนั้นหมดยุคแล้วยุคนี้ยุคประชาธิปไตยอย่างรุ่งเรืองแล้วสากลโลกทําอย่างนี้ทั้งนั้นประเทศไหนเขาทําอย่างไหนเขาทําไป แต่ประเทศไทยจะทำอย่างไทยทำอย่างพระพุทธเจ้าสอนทำอย่างพระเจ้าอยู่หัวของเราพา ร, รมนี่คือวิธีที่เราจะพาธรรับรองว่าไม่เหมือนวิธีของผู้ที่เ c e b o o k มานี่แน่นอนอันนั้นคนเขาทำกันมามากแล้วจ้ะ แต่ของเราจะทำนี้เป็นเนโอโพลิติเป็นประชาธิปไตยแบบใหม่คนไทยจะทำพวกเราจะพาทำใครจะทำก็อาจจะมาบ้างยกมือเอาละอาจจะมาเลยเวลาก็ไปหลายนาทีแล้วสรุปโดยไม่มีเวลาก็ oh. วนนี้สวนลุมหน้ารื่นลมนะคงไม่ใช่เป็นอโครจรอย่างที่คุณแปดเ็ดศูนย์ห้าว่านะแต่เป็นที่โครจรอย่างยิ่งวนนนี้คงต้องกราบขอบระคุณพ่อครู ด, ด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็ <c oughs> ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนขอจเจริญคร